S <S ก็เออตอนนี้เออมันจะมีซอฟต์ไฟล์ที่ตอนที่คุเมษมาอบรมเข้ากลับไปบันทึกธรรมที่ท่านอาจารย์อบรมไว้แล้วก็มีคณะคุณอ้อยที่มาที่ที่แล้วที่ถามปัญหาธรรมก็ได้บันทึกไว้ก็เลยใส่ซอฟต์ไฟล์ไว้เพื่อท่านอาจารย์จะอินหนังสือนะคะ <S <S เป็นเพราะว่า เห็นเป็นคําถามคําตอบเึิ่งเป็นประโยชน์มากเลยอนี้ยมค่ะรูปใส่ไว้ด้กันเป็นแผ่นซีดีไหมกันเป็นเป็นค่ะแต่แบบไม่มีเสียงนะคะเป็นเป็นการที่ตัวเราแต่คิดว่าน่าจะท่านจะคงต้องแก้ไขบางอันอาะคุณแม่ไม่แน่ใจค่ะแล้วก็โดยที่เราคุยกับท้าแล้วก็จําได้จําได้ไปจดไว้แต่อาจจะผิดค่ะแล้ก็เราก็มีข้อสงสัยที่ฝากลับมากราบเรียนต่อคะ เป็นแผ่นเป็นแผ่นสำหรับใส่คอมได้ใช่ไหมครใส่ได้แค่นี้ลูกใป่ใส่ในนี้แล้วแล้วก็พี่พิมพ์ออกมาให้แล้วก็มีตอนนี้เอจะจะกลับเรียนถามคือทุกๆุกคนในที่นี้ก็รวบรวมปัจจัยกันไว้ที่จะทําสําหรับทำซีดีต่อตไปท่านจันจะให้ทําทําอย่างไรครับต่อไปก็คงจะเมื่อไม่ได้ไม่ได้สร้างพระแล้วก็คงจะมาทําอันนี้ก็เวลา ค่อยๆยอยทำไปแล่กันเดา๋วเาให้ให้แจกให้หมดก่อนใทำาามันไม่มีที่เก็บจะที่เก็บเดือนนึงเดือนนึงก็จะทามาทีนึ่งดีไหมเจ้าค่ะกลองดูก็ได้ถ้าพอจะมาแจกทันก็ทาไปเรื่อยๆแต่ถ้าแจกไม่ทันก็อาจจะบอกว่าขอให้ชะลอได้ค่ะนี้กาลังใจที่ท่านส่งไปให้ยังมีเพิ่มอีกไหมเจ้าค่ะทีหมดแล้วรทาที่ทามาจนปัจจุบันนี้ก็หมดแล้วหมดแล้วะ เรก็ค่อยๆทยอยเามาก็อัดไปทีละกันเดี๋ยวก็เอาไปทำที่อัด น, นี้ก็จะทําเป็นเล่นที่เล่นต่อไปที่ ท, ท, ที่ที่พวกคณะลูกเล่ น, อ, นอันนี้ก็ก็ถอดถอดออมาให้มาตัวเลยนะงานก็ทำเตรียมเสร็จแล้วก็ต้นก็เอาไปใส่ไว้ในเว็บไซต์ก่อนอเพราะหนังสือพิมพ์เนี่ยเราพิมพ์มันช้าทีละ2เล่มแต่อันนี้เราที่เราทำอัดไว้นี่มันมันเยอะ ก็เดือนนี้ถึงชุด น, นี้ก็จะถือว่าเปเล่นที่สิบแปแต่ตอนนี้เราพิมพ์ถึงแค่เล่มสิบเอ็ดเดี๋ยวเดือนหน้าปลาเดือนหน้าเราจะพิมพ์เล่มสิบสองก็ค่อยๆทยอยพิมพ์ออกไปแต่ใครอยากจะฟังก็มีแผ่นฟังเลยก่อนเรา อ, อยากจะเข้าไปอ่านก็อ่านในเว่มได้หรือก็ต้องค่อยๆค่อยๆพิมพ์ออกมาเพราะแจากไม่ไหวแจากไม่ ท่านเป็นานเราก็ปรัจัยที่คณะรวบรวมท่านจะจะให้ถวายไว้หรือจะให้ลูกเก็บไว้ครับคุณลุงเก็บไว้เถะถ้าวันละองการ ท, ท่าน้ยุนยอที่สามารถช่วยพิมพ์้ท่านจะให้แบ่งไว้สาหรับพิมพ์หนังสือด้วยนะคะแตได้แบ่งไว้ถวายท่านอาจารย์เพราะไม่ต้องร้องเรียนห น, นังสือก็เหลือเหนังสือก็พอเพียงที่ว่าจะจะทาทวกซีดีแต่บ้างนะคะ คุณแอน ท, g, ที่ที่ที่ม um, ันก like, hey, like ็ให้ให right? so uh, ้นั่นไว้เขาก็ทําเรียบง่ายสวยงามด้วยเขาเขามาที่เขาก็เป็นมือศิลที่วันนี้แม่เขามาอยู่เป็นประจำที่สุกบ้านเขาจะอยู่แถวพัทยาแต่ตัวเขาเองไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพแล้วก็เป็นครอบครัวที่กรุงเทพขาก็นานๆตัวเขาเองเขาก็มาทำงานทั้นี้เขาต้องบอกว่าเขส่วนนี้เขาก็ได้ทําบุญมาด้วยเพราะเขาคิดถูกมากเขาบอกว่าเขาไม่คิดค่า ค่าค่าทำเลยนะจ๊ะค่าแต่งแต่ค่าของส่วนส่วนกล่องนี้คุณเฉลิมชัยอยากถวายมากอุตสาไปคืมมากครับบอกว่าท่านจะได้เก็บไว้แล้วได้ใช้ค่ะรายเดียี่ยดดีสะดวกดีขนไปไหนมนไหนก็ได้ท่านจะจะแจกเลยหรือจะพูดธรรมะก่อนกันหรือเปล่าคือธรรมะสั่งก็ได้นเดี๋ยวแล้วให้แจกได้ทุกอ่ อาอจารย์ฝากยิงถามเื่อะไรอะดูต่งกําลังใจมาก็เห็นรของแผ่นแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเรื่องมีงมงมปฏิบฐานส<ำ>ี่มีขันห้านะครับ แล้วก็มีมีสมุนไพรคือผมต้องใจวัฒนวุฒทั้งหลายนี่คือมันเป็นวงจรเชื่อมโยงกันหมดอยู่ในษษษษษอัตลักษณ์ศัตรูคนเนี่ยัเยวเกี่ยวเนื่องกันอย่างขันห้า่นี่ก็เป็นตัวที่ตั้งเป็นของตัญหาคือเป็นร่างกายของเราร่างกายกับใจของเราก็คือขันหา้ารูปก็คือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารก็องค์ประกอบในใจเรียกว่าอาการของใจ แล้วเรามีอวิชาก็ไปยึดติดกับขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ความจริงมันไม่ใช่มันมันไม่ได้เป็นของใครมันเป็นของมันอยู่อย่างนั่งเดิมมันมีอยู่อย่างนี้เป็นอย่อย่างนี้เหมือนกับโลกนี้มันมีอยู่อย่างนี้มาถ่ายร่างเดิมแต่พอเรามาเกิดในโลกนี้เราก็มาครอบครองมายึดว่าโลกนี้เป็นของพวกเราบางคนก็ต่างแบ่งเอาที่ดินคนละหรือคนละเผยมา แล้วก็ต้องมาดูแรลรักษามาแก่งแย่งมาทําสงครามกันก็เพราะความหลงไปไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆร่างกายขันห้านี้ก็เหมือนกันขันห้าก็เป็นก็เป็นสิ่งที่มันมีอยู่เดิมที่มันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาวิชชาเป็นตัวเกิดอวิชชาปฏิยาสังขารสังขารคือความคิดปุงพอคิดปุงไปแล้วมันก็เกิดมีวิญญารักษณ์กับความคิดปรุง แล้วก็ไปรูปเกี่ยวกับนางกับรูปนากับรูปก็คือขันห้าเลยละรูปกับนางออกมาทางรูปกับนางแล้วก็มีสัมผัสไดเห็นได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆก็เกิดเวทนาขึ้นมาเวลาเราเห็นรูปสวยเราก็มีความสุขเวลาเราเห็นรูปไม่สวยเราก็มีความทุกข์แล้วก็เกิดตัณหาขึ้นมาถ้าเราชอบรูปสวยงามเราก็อยากจะได้ เราไปเห็นรูปไม่สวยไม่งามเราก็เกิดความลองเกลียดก็<ม>เกิดวิภาระาาปัญหาขึ้นมาปัญหาก็เป็นสุดท้ายต้องเห็นของขวามทุกทําให้เกิดอุปทานให้เกิดพบเกิดชาติอะไรนี่คือวัตถจักรของการเยนืนร่างใจเกิด<ม>เริ่มต้นที่อววิชาจิตของเราที่พวกเรามาศึกษากันนี้ก็เพื่อศึกษาให้เข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่อวิชชาคิด คือพระพุทธเจ้าบอกมันตายลักอ น, นิจจังทุกขงังอนิจจาไม่มีตัวไม่มีในไม่มีเหมือนกับต้นไม้ต้นเสาสาราเหล่านี้มันไม่มีตัวตนแต่พอเรามาสร้างเสร็จเป็นรูปเป็นหน้าขึ้นมาจิตของเราก็มาครอบครองวันิจสาาของฉันเกิดใครมารืมมันออกเราก็จะเกิดความเสียใจเพราะเรามีอุปทานยึดติดอยู่กับสาราเหล่านี้ เราชอบราดังอยงนี้แล้วก็มีมีมีความอยากจะให้มันอยู่กับเราไปน า, งงานๆแล้วเกิดใครมาทําลายอย่างเราก็เกิดความทุกข์เกิดความโกรธขึ้นมาแล้วกเกิดการทะเลาะวิวาสกอ่กอรกอรรมก่อเวรต่างๆต่อมาแล้วก็ตายไปก็ไปเกิดชาติหน้าก็วนเวียนอยู่อย่างนี้นี่คือเรื่องของขันห้าขันห้าเมื่อเมื่อเราว่าสิ่งที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจคือขันห้านี่ไม่ใช่เรา มันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยร่างกายเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราดูใจคนนี้นี่ยแล้วเราเราคิดถึงตอนที่เราป end, coaster, <Yes. S 1> เป็นขนาดเขาอย่างนี้หน้าตาของเรากับเขาตอนนี้มันไม่เหมือนกันแต่เราเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยร่างกายันเดียวกันแต่มันเปลี่ยนไปลงอยู่เรื่อยตามการตามเวลาของทุกอย่างมันมันเปลี่ยนไปเสมอเสื้อผ้าเราซื้อมาใหม่วันนี้เดียวไม่กี่วันนึงก็มันก็กล่า ใช้เป็นนานเท้ามันก็ขาดนี่คือความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเลยคือจากจะอยากการเจเริ่มสูงสุดแล้วก็จะเข้าไปสู่การเสื่อมแล้วในที่สุดก็สลายออกไปหมดร่งกายเราก็ออกค้อดออกมาจากท้องแม่ก็ก็เริ่มจะเริ่เติบโตแล้วโตวเป็นผู้ใหญ่โตเป็นคนแก่แล้วในที่สุดก็ตายไปนี่ก็คือเรื่องของอนิจจังแล้วก็มันไม่มี มันไม่ใช่ตัวตนแล้วเราก็ยึดไปติดว่ามันตัวตนเป็นเราพอมันมันเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีเราก็เสียใจแล้วก็ทุกข์เพราะเราไม่อยากจะให้มันไปในทางนั้นเราอยากจะให้มันแข็งแรงมีความสวยงามมีความสดชื่น ม, ม, ม, ม, ม, มีหน้าตาดีตลอดเวลาแต่ร่างกายมันก็ต้องไปตามตามการตามเวลาเยน็นวันผมก็ขาวผมก็ร่วงน้ำก็เหี่ยว ร่างกายก็ไม่มีกําลังวางชาที่จะทําอะไรได้เกิดไข้ได้ป่วยไอ้ที่สุด ก, ก็ลองนอนบงเตียงแล้วไอ้ที่สุด ก, ก็ไม่หายใจเขาก็เอาไปเอาไปทําชาพนละ ก, กิจนแล้วเอาไปฝังมันก็สลายกลับไปสู่ดินร่างกายมันก็ฝังดินน้ำมก็สูญหายไปต่างต่างเหล่านี้มัความจริงร่างกายนี้เมื่อพิจารณาก็เห็นว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ มาทางอาหารที่เรารับประทานเข้าไปรับประทานแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอาการสามสิบสองเป็นของหนึ่งของเป็นเล็กเป็นความเสน่อเน้นทางทางศา ส, สนาตอให้เราเข้าใจถึงความจริงของมันเราอย่าไปฝืนความจริงถ้าเราฝืนแล้วมันเราจะทุกข์คนที่เขาต้องไป เสริมอะไรต่างๆไปดึงหนังหน้าทำให้ตึงไปย้อมผมแต่ทำอะไรนี้ครับเป็นการเสื่ความจริงเขาไม่ยอมรับความจริงว่าเขาเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้ตลอดเขาต้องเป็นไปแต่เขาไม่ยอมเพราะยังอยากจะรักษายังอยากจะรายอยาูอย่เขาก็ต้องไปยาอนหาอะไรต่างๆมามามารักษาไว้ไม่ให้มันเสื่อม รักษาอย่างไงเหมือนก็สู้คู่ความจริงไม่ได้ในที่สุดแล้วเหนก็ต้องแก่ต้องตาไปด้วยกันทุกคนแต่ถ้าถ้าเรายอมรับได้ใจเราก็จะสบายใจเราก็จะเฉยเฉยไม่ทุกข์เพราะเราเราละกับการหาต้นเหตุของความทุกข์ยากนั่นคือความไม่อยากแก่ความไม่อยากเจ็บความไม่อยากตายนี่เราไม่ได้เราไม่มีในใจของเราเรายอมรับความจริงทุกส kind, ิส่งทั้งหมด ไม่มีอุปถานในอริยาศัสตร์สือพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าโดยสรุปแล้วทุกข์ก็คือการยึดมั่นถึงมั่นในขันหา น, นี่เองอยากจะให้มันเป็นตางความ ต, ต, ต้องการความต้องการความชอบของเราอยากจะให้ใหไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตานนยถ้าเวทนาก็อยากจะให้มันมีแต่สุ่เวทนา ไม่ไม่อยากจะให้มันมีทุกเวทนาตอนไหนถ้าเรามีความสุขเราจะรู้สึกมีความสุขมากแต่ถ้าเกิดวันไหนมันไม่มีความสุขเช่นบางทีเราอาจจะต้องไปทํางานทำการหรือไปทําอะไรที่มันต้องมีความลำบากยากเยน็นก็มีความทุกเวทนาขึ้นมาเราก็ไม่ได้อชอบอ่เหมือนกันความไม่ชอบขึ้นมามันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราศึกษจดูแล้วว่า เวทนานี้มันก็มีสามชนิดในการมีสุขบ้างไม่สุกบ้างแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุกบ้างแล้วมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของมันตามเรื่องของมันความสุขนี้มันทีออยู่ๆมันก็สุขขึ้นมาในใจของเราในกายของเราฟังวันไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ใจของเรานี่ไม่ต้องไปทุกข์ตามมันได้ถ้าเรา มีสติมีปัญญาเจะรู้ว่าปัญญานี้เวทนาเป็นอย่างไรเราก็อยากไปต่อต้านเวทนาอันนั้นถ้ามันเป็นทุกเวทนาก็ อ, อยาไปต่อต้านอยากไปคิดค่าปฏิเสธมันมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายป็นเป็นไปนไม่ได้ตลอดหรอกเรี่องนี้เป็นเรื่องของเวทนาแต่เราไม่ค่อยจะรอเราใจใจร้อนกัน เราทุกเวทนาครับเราจะต้องรีบแก้ตรงนี้ให้มังไม่ให้มันหายไปโดนแมงสัตว์กัดก่อนเรื่อยก็ต้องรีบผ่ายาหลอนผ่าอะไรมาทาทั้งทั้งที่ถ้าเราปล่อยให้มันเึ่งไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายไปสมรรถมาพไปอยู่ที่ไหนที่มันไม่มียาอะไรทำอะไรโดนแมงอะไรกัดเดี๋ยวมันก็มันก็เจ็บมันก็ปวดเต็มที่ของมันแต่แล้วเดี๋ยวมันก็คลายลงไป ถ้าเดี๋ยวมันก็หายเองถ้าเราอยู่ทีเฉยรับรู้เฉยๆใจไม่ต้องไปอยากให้มันหายใจก็ไม่ทุงข์ทรมารยแต่ถ้าอยากให้มันหายนี่บางทีต้องวิ่งหาหมอวิ่งหายาหาวิธีแก้มันวุ่นไปหมดนี่ก็คือความหมายของของของขันที่ยกตัวอย่างคำพูดประถมเงินลําประถอย่างไรอย่างหรือว่าทนาย มันมีเวทนานี่มันก็เป็นส่วนประกอบของอีกสามส่วนคื อ, อยมยามสังขารเวทนาสังขารยมยญญาณแล้วก็ใช่นี่ก็านาสันขารยมยญญามซี่อันจากความจริเวลามันทํางานมันทําพร้อมๆกันเมื่อตาเราเห็นรูปวิญญาณก็รักษารูปมาแล้วสังญาณก็ไ ป, ไปแปลความหมายของรูปนั้นว่าเป็นใคร งานชิ้นชมยินดีหรือไม่ถึงว่าเราเห็นรูปนี้ปั๊บเราจำได้โอ้ท่นนี้เคยให้เงินมามาธิไลเอาเงินมาให้เลกนิมันก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมา <laughs> มันก็เกิดสังขารดังนั้นต้องไปต้อนรับพ่าหน่อยไปทักทายทำเคลื่อนชั่วให้เขานั่งทําอะไรต้อนรับเขาแต่ถ้ามีอีกรูปหนึ่งแล้วสัญยาพัว่าอันนี้เป็นเจ้านี่มาแล้วก็ทักทาย กายก็เวทนาทุกเวทนาก็ตามอาเพราะไม่มีงินใช้นี้ของสังขารก็คิดว่าทำงานจะหลบหน้าคนนี้ดีคอยดูนี้ก็ทํางานไปควบคู่กันทังสี่อันนี้แต่ถ้าเรามีสติเราคอยดูการกระทําขอ ง, ขอ ง, งของนามขันนี้เราก็อาจจะสามารถควบคุมไม่ให้มันเป็นไปคือเราสามารถควบคุมสังขารได้เช่นเ ม, มื่อเราเห็นลูกคนนี้และเห็นว่าเขาเป็นเจ้านี้ เราไม่อยากจะเจอเขาแต่ความจริงแล้ว <c oughs> มันจําเป็นต้องเจอเขาเพราะเรามีความสุขพันกับเขาอยู่เราเป็นเราเป็นกู่เงินเขาเราก็ต้องมีความรับผิดชอบหน้เราจะไม่อยากจะเจอหน้าเขาเราก็ทําใจสู้เสือไว้หัวใจนิ่งไว้แล้วก็ม า, าเจอกันคุยกันเขาจะเอาไงเราก็พูดกับเขาไปตามความจริงเรามีเท่าไหร่เขาให้เกาไปเท่านั้นถ้าเขาไม่พอใจเขาเกิดก็จะด่าเราก็ต้องให้เขาทำไป นันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราจะรักษาใจให้เราเป็นอุเบกขาเป็นปกติคือไม่วิ่งเข้าหาเขาแล้ ว, ลวไม่วิ่งหนีใส่เขาไปเราค่าๆตั้งรับตั้งรับด้วยปัญญาเป็น แ, แต่ความความรู้สึกเวทนาเปนดียวมีแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเวทํางานแล้วมันจะไม่มีเพราะว่าเกิดปัญญาขึ้นมาว่าเมื่อเราทำกรรมอันใดไว้เมื่อวิบากมันเกิดขึ้นเราก็อยากไปหนีมัน อย่าไปกลัวมันมันเดี๋ยมากก็แค่ตายสิดนี้แล้วยังไงพอเราทุกคนเกิดมาก็ต้องตายถ้าเราไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บแล้วไม่มีปัญหาอะเราสามารถที่จ ะ, ะเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายอยู่ดีถ้าเรามาฝึเกเจ็บฝึกตายไว้ก่อนแล้วต่อไปอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหสังขารที่จะปรุงเป็นปัญหาก็จะไม่มีวิปะวะปัญหาก็จะไม่มี จะวิ่งหนีจากสภาพต่างๆไปก็ไม่มีเนเดินไปเจอสัตว์เจองูอะไรเงี้ยแต่มีนจะโกยแนบวิ่งหนีก็าอาจจะยืนเฉยๆนิ่งทำเก็บให้นิ่งแล้วก็ปลงเอาถ้าเป็นกรรมถ้าเป็นเวรเป็นกรรมมาเราเคยทําอะไรเขาเขาจะมากลับเราให้เราตายก็มล้วก็จบชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราก็ไม่ได้หวังอะไรจากในโลกนี้แล้ว ร, รู้ว่าเอาอะไรไปก็ไม่ได้ แต่สิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือใจที่สงบใจที่นิ่งอันนี้เท่านั้นแหละที่สําคัญที่สุดถ้าเราปฏิบัติก็ครอบความสงบความมิ่งของใจแล้วเราจะเห็นคุณค่าของใจนี้ยิ่งกว่าสิ่งต่างๆในเรื่องที่พวกเราหวงแหนกันเราไม่รู้เรกสิ่งต่างๆที่เราหวงแหนกันเนี่ยเป็นตัวสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเพราะเราไม่เคยปฏิบัติธรรมกันเราไม่เคยเจอจิตที่สงบที่ปล่อยวาง เวลาจิตสงบนี้เวลาเรานั่งสมาธินี่นมันนิ่งีมันปล่อยหมดทุกอย่างชั่วข่าวบ้านช่องทรัพย์สมบัติลูกเต้าถ้ามีภรรยามันไม่ได้อยู่ในจิตตอนนั้นเลยจิตมันจะสะอาดมันเหมือนกับถ้าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกระดานที่อาจารย์โรงเรียนเขาเขียเนี่ยมันก็เป็นเป็นกระดานที่เราลบทิ้งหมดแล้วมีแต่กระดานว่างๆดูกระดานว่างๆมันก็ไม่มีอารมณ์ แต่ถ้ามีใครเขียนหรือวาดรูปการ์ตูนหรือวาดรูปที่ไม่สวยในงานก็จะเกิดอารมณ์ตามมาแต่รูปถ้าเป็นวาดถ้าวาดภาพสวย ง, งามก็มีความสุขถ้าเขวาดภาพที่ไม่สวยในงานที่น่าเกลียดเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาใจของเราก็อย่างเนี้ใจของเราทุกขณะมันไปรับเอาเรื่องต่างๆเข้ามาทางผ่านทางตะวนันตวันทั้งห้าตาหูจหรูกลิ้นกาย เราเข้ามาแล้วก็วิญญาณก็รับทราบสัญญาณก็แปลกความหมายสังขารก็ปรุงเวทนาก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์สังขารก็ว่าไปตามนิสัยเดิมถ้าสุขก็วิ่งเข้าหาถ้าทุกข์ก็พยายามวิ่งหนีหรือพยายามแก้ให้มันให้ทุกข์นั้นมันดับไปแต่เราไม่ได้แก้ที่ข้างที่ถูกเราไปแก้ข้างนอกเราไปแก้ที่เราเห็นคนที่เราไม่ชอบเราไปตีเขาให้ตายไปเลยอย่างนี้ น, นี่เราไม่ใช่เป็นทิศวิธีแก้แก้ที่ใจด้วยสติด้วยปัญญาทําใจให้เป็นอุอเปเลยขาจะทําใจสู้กับทุกสภาพใจมันก็นิ่งได้ความทุกข์ในใจมันก็ดับไปนี่คือความหมายที่เราต้องมีเจริญสติสติปัฏฐานสี่ก็คือให้เราฝึกสติให้ดูอย่าไปมีการโต้ตอบกับสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราได้ยินได้ฟังเพียงแต่ดูรู้ว่ามันเป็นรูปเป็นธาตุ เป็นเสียงเป็นกิน่นเป็นรสแล้วก็รู้ว่ามันสัตว์แต่ว่ารูปสตว์แต่ว่าสียงเราอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปอย่าไปมีสัญญากับมันถ้ามีก็ต้องแก้ไขบอกว่าถึงแม้จะเป็นคนคนนี้เขาจะไม่ดีกับเราะอะไรเนี่ยเขาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันคนนี้เป็นคนที่เขาดีกับเราเขาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันความจริงแล้วเราะเราน่านะจะมองคนทที่ดีแล้วไม่ดีเท่ากันได้ ถ้าเรามองเข้าไปในถึงธรรมชาติแท้ของเขาในการเป็นตายรักเรารักคนนี้เขาก็มีอนิจจังทุกขังหน้าตาเวลาเขาตายไปยเราก็เสียใจคนนี้เราเกียดเราอยากให้เขาตายเราไม่ต้องไปอยากเดี๋ยวเขาก็ตายเหมือนกันนี่ก็คือปัญญาที่เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานท่านก็ให้เจริญที่ร่างกายก่อนรูปรูปจิตรูปเวทนาจิตธรรมนี่คืออง หมายของการตั้งสติลูกก็ให้ศึกษาจนเข้าใจในพิธีเลระทุกส่วนเพะฉะนั้นพิจารณาดูอาการสามดีสองร่าการนี้ไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่อาการมีแต่ผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนกระดูกแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สวยงามมันมีสิ่งที่ไม่ไม่งามอยู่ภายใต้ผิวหนังที่เรามองไม่เห็นกันแต่มันสามารถมองเห็นได้ด้วยปัญญา ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาก็ไปดูโครงกระดูกที่อยู่ ใ, ใต้ผิวหนังดูอวัยวะต่างๆถ้าเราดูไม่เราดูไม่ออกนึกไม่ออกก็ต้องอาศัยการไปเยี่ยมป่าชา้าสมัยโบราณ ก, ก็ไปเยี่ยมป่าช้าไปดูคนตายสมัยนี้ก็เดี๋ยวนี้มีหนังสือที่เขาถ่ายมาให้ดูหรือลูๆๆกนักศึกษาเขามีภาพวาดให้เราดู แล้วก็ดูแล้วเราก็เอามาเจริญอยู่เรื่อยๆให้มันจําให้ได้อยู่ในใจของเราพอมันอยู่ในใจของเราแล้วพอเ ร, เรามองเวลามองใครนี่เราจะมองทะลุเข้าไปในหนังได้เราก็จะไม่หลงไม่ได้แต่อยากจะมีความผูกพันกับเขาไม่ได้อยากจะเอาเข้ามาครอบครองเขาเขาไม่ได้สวยเขาไม่ได่งามอย่างที่เราคิดความจริงแล้วคนเร า, เราทุกคนภายนอกมันต่างกันแต่ภายในยนี่มันเหมือนกันหมดทุกคน มีอาการ32มค่สองข้ากันนี่คือการศึกษาพิจารณารูปสติก็คือให้มีการรู้อยู่กับเรื่องรูปนี้อยู่ตลอดเวลาท่าทอาจารย์ถ้าเแบบราพูดปฏิบัติใหม่ๆพวกเราเนี่ย ลงที่กายอยู่่ดีก่อนใช่ไหมครับส่วนญ่มันก็ต้องเริ่มที่กายก่อนเพราะกายมันเป็นส่วนที่ยากที่สุดเพราะส่วนเห็นได้กับตาพละเอียดมากค่อข้าางยสติปัญญาเรายังไม่ทันครับแต่ถ้าเราพัฒนาไปเมื่อเราสามารถเข้าใจรูปได้อย่างดีแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่เวทนาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาแต่รูปน้วนๆัางเวลาเวลาเวทนามันมันแสดงอาการขึ้นมาแรงๆเราก็จะเห็นเหมือนกัน ไหนที่เราเจ็บปวดมากๆนี่เราก็มันก็จะชัดขึ้น <c oughs> นแกไหนเราไป <c oughs> ไปเดินเตะหินเข้าเนี่ทุกเวทนาความเจ็บปวดมันก็จะเกิดขึ้นมาตอนนั้นเราก็ดูว่าแล้วก็นี่ก็นี่ก็เวทนาแล้วก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นกับมันเดี๋ยวมันก็มันเกิดขึ้นได้เดี๋ยวมันก็ดับได้เราเตะหินตั๊บเดี๋ยวสักครู่มันความเจ็บมันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแล้วหายไป คือพยายามรักษาใจให้เป็นผู้รู้อย่างเดียวอย่าไปเป็นผู้อ่านหรือเป็นผู้ผยินดียินร้ายกับมันทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสู่ใจใจต้องเป็นผู้รู้เฉยๆใจทำตัวให้เป็นเหมือนกับกระจกเรากระจกเงาเวลาเราเอาเอาภาพต่างๆที่คนไปมองหน้ากระจกเนี่ยคนสวยกระจกมันก็ไม่ได้ดีใจด้วยคนไม่สวยมันก็ไม่ได้รังเกียจ ด, ด้วยกระจกมันก็เพียงเป็นคำหน้าที่สะท้อนเงา ของของภาพที่ไปยืนอยู่ต่อข้างหน้ากระจกแลในจิตของเราก็ต้องพยายามทำให้มันนิ่งเหมือนกับกระจกพยายาเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินอย่าไปหลงว่ามันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นของเราและจริงมันเป็นขันห้าเป็นรูปเวทนาปัญญาสังขารหยินหยางเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกข์อนัตตา ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปยินดียินร้ายด้วยเพราะมีความยินดียินร้ายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นเราก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความความอยากจะได้นรืเกิดความอยากจะหนี้จากสิ่งนั้นไปก็อยู่เฉยๆไม่ได้นิ่งจิตก็ไม่นิ่งนี่คือการเจริญการปฏิบัติคือปริศ น, นาที่เกิดขึ้นจริงๆเนาะก็วางเฉยอย่างที่กันมาแต่ว่ามันก็ไปดับไปเดี๋ยวจะเกิดขึ้นใหม่อีก คือเวทน า, <อ>ามี ส, สองอย่เวทนาที่มันเกิดขึ้นทางกายนี้มั น, เ ป, นเป็นเรื่อ ง, องธรรมชาติ <c oughs> แต่เรื่องเวทนาทางจิตนี่เราสามารถหลับดับได้คจิตใจเราไม่วุ่นวายกับมันก็ไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเราดับทุกข์เวทนาเวทุกข์ทางจิตใจแล้วไม่ทุกข์ใจทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกข์ส่วนที่กายนี่เราแค่วางเฉยให้มันแต่ส่วนที่ใจนี่เราต้องต้องใช้ปัญญาในการพี่เราไปที่ใจ คือก็ถ้าเราเข้าใจว่าเวทนาของการสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่้ะดับไปเราก็เราก็ปล่อยวางใจเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่เข้าใจบางทีเราเกิดเวทนาแล้วขึ้นมาหน่อยใจวิตกนะให้ฉันจะตายหรือเปล่าฉันจะเป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาทั้งที่มันยังไม่ได้เป็นเลยแต่ถ้าใจเป็นสักแต่ว่ารู้เฉย รู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ว่ารู้ว่ามันต้องเป็นตายรับแน่ๆคือรู้ว่ามันเป็นมันของไม่เที่ยงสักวันหนึ่งมันก็ต้องดับมันก็ต้องหายไปหรือเบาลงมาเรื่องเพิ่มขึ้นอีกก็สุดแท้แต่มันแต่มันก็ต้องเป็นไปตามตามเรื่องของมันแต่ถ้าใจเรารู้เราใจเราเข้าใจใจเราก็เฉยสิ่งที่เราต้องการปฏิบัติก็เพื่อให้ใจเข้าสู่อุเบกขาคือการวางเฉยปล่อยวาง สัมผัสกันอยู่แต่ไม่ได้ไปยินดียินร้ายกับเขาสังเกตดูคนที่เราคนที่เราเจอเนี่ยมันจะมีสามแบบด้วยกันคนที่เราชอบกับคนที่เราไม่ชอบกับคนที่เราเฉยเฉยเนี่ยคนที่เราเฉยเฉยนี่สบายที่สุดใช่ไหมเราไม่ดีใจไม่เสียใจเขาเขาจะมาเขาจะไปเราไม่เดือดร้อนแต่ละคนที่เราชอบเวลามาเราดีใจเวลาเขาไปเราก็เสียใจ ไอคนที่เราไม่ชอบเวลามาเราก็เดือดร้อนแต่พาเข้าไปแล้วก็โล่งารสบายขึ้นมาเพราะเราไปไปมองเขาในความตามความชอบของเรากับความความไม่ชอบของเรานี่มันเป็นนิสัยที่เราเคยถูกฝังมาตลอดคนบางคนชอบสีแดงงคนไม่ชอบสีแดงคนสองคนมองสิ่งเดียวกันคนยังมีความสุขคนยังมีความทุกข์เกิดจากความชอบและไม่ชอบที่เคย ถูกปลุกฟังมาด้วยอาวิชาแต่ถ้ามีปัญญาศึกษาแล้วมันก็เป็นสีเทนั้นเองมันเป็นรูปที่มันมาสัมผัสกับตาแล้วรับรู้ที่ใจใจนี่ไม่มีอะไรไปทำลายใจมันได้ใจเป็นเพียงกตนเหมือนกระจกเนี่ยกระจกมันก็ดูมันก็สะท้อนภาพความเป็นจริงทุกอย่างกระจกมันก็ยังเป็นกระจกเหมือนเดิมอยู่คนจะฆ่ากันตายขนาดนั้นตอนหน้าจอกระจกกระจกมันก็ยังอยู่ คุณจะฉะลองแต่งงานกันเจ็บปุกมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ตายของเราก็แบบนั้นเหตุการมันจะเร็วร้ายขนาดไหนถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจสองจิตใจด้วยสติด้วปัญญาได้มันก็จะเป็นเหมือนกับประจกมันก็จะสะท้อนรับรู้ความเป็นจริงของสภาพที่มีอยู่เต็มอยู่ท่นั้นเองเนื่องเราถึงต้องมาศึกษาให้เข้าใจถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราผ่าผ่าในโลกนี้ ส่วนใหญ่เราจะหลงตามอาวิชาเราจะคิดเราอยากจะให้ที่อยากเจริญไม่ให้มีอะไรเสือ่อมพอเกิดอะไรเสื่อมขึ้นมาเราก็จะเสียใจร้องห่มร้องห้าดกันแล้วพอเวลานี้มีการเจริญขึ้นมาใหม่ก็ดีใจกันอีกในเวลาได้ลูกได้หลานีน่ทุกคนดี๋ยวดีใจกันใหญ่พอเสียคุณพ่อคุณแม่ ค, ค, คุณตาคุณยายไปก็เศร้าสศกเสียใจ ก็าเรามองด้านเดียวเราไม่เราไม่คํานึงถึงด้านนึงว่าเด็กคนนี้เกิดมาวันนี้แค่วันหนึ่งเขาก็ต้องตายถ้าเรารู้เร่องหน้าก่อนแล้วเวลาเขาตายเรา ก, ก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ใจของเราทุกขณะนี้มันจะพยายามที่จะถึงในความจริงอันนี้คือความตายแล้วกระทั่งถึงขั้นว่าคิดถึงเรื่องความตายไม่ได้เลยหมายนี้เราไปคิดเรื่องความตายเนี่ยหาว่าเป็นอารมณ์คนจนกระท่านที่ทมันเป็นปัญญาขนาะ ทางด้านศาสนาเป็นการศึกษาให้เข้าถึงแก่นของความจริงเมื่อเราค้าทราบความจริงแล้วใจของเราก็สามารถที่จะรับความจริงนั้นได้แต่ทุกวันนี้คนไม่ยอมรับความจริงอันนี้ไม่ยอมคิดถึงเรื่องันนี้มันก็เลยพอเกิดความตายขึ้นมาก็ทำใจกันไม่ได้ามาเลซียไหมถ้าเป็นทหารก็ไม่ไม่คิดว่าจะมีค่าศึกมาบุกทำลายบ้านเรา คิดเสียว่าบ้านเรานี้ปลอดภัยเสมอเราไม่ต้องไปซ้มลบไม่ต้องไปมีทหารไม่ต้องมีตัเห์แค่นั้นพอวันดีคืนดีเกิดมีข้าศึกมาเข้ามาบุกบ้านเรานี้เราก็ไม่มีอะไรที่จะป้องกันเราก็จะถูกเขาทำลายไป ห, หมดใจของเราที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาก็เป็นลักษณะนี้มีแต่ความหลงมีแต่ความต้องการให้มันเจริญอย่างเดียวไม่ให้มันเสื่อม พอมันเสื่มแล้วก็รักไม่ได้บางคนไม่มีสติก็เสียสติไปก้ายเป็นคนบ้าไปได้เวลาสูญเสียอะไรที่ตนเองรักมากๆบางทนละเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปบางคนที่เกิดมีความมีความสดชื่นเบิกบานมีความสุขก็กลายเป็นคนเศร้าสร้อยน้อยเงีไปหรือถ้าบางคนถ้าเจอสภาพที่รุนแรงมากๆ ก็จะถึงกับการทำลายชีวิตของตัวเองเพราะไม่สามารถที่จะอยู่ทนกับสภาพแบบนี้ได้เพราะไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ศึกษาเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนนั่นเองถ้าซ้อมไม่ลงหน้ า, าเออสักวันหนึงเราอาจจะต้องอยู่คนเดียวเนะี่ยคนที่เรารักนี่ก็อาจจะจากเราไปนะเนี่ยที่พวกเรามาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมกันก็มาฝึกอยู่คนเดียวกันมาอยู่แบบเรียบๆง่ายๆ ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาเป็นเครื่องให้ความสุขเัขยียรเราสามารถมีความสุขในตัวของเราได้โดยที่ไม่ต้องมีใครไม่ต้องมีอะไรมาเป็นเครื่องให้ความสุขกับเราแต่พวกเราไม่ยอมตัดกันหรือยังยังเป็นเหมือนกับคนพิการเดินไปไหนยังอยากจะมีล้อล้อรถนั่งหรือมีไอ้ไม้ไม้ทางไว้คอยค้ำตัวเองทั้งทังที่ตัวเองไม่ได้พิการเลย สามารถเดินเหินไปไหนได้อย่างสบายกับไม่เอาอยากจะเอาไม้ค้ำถอดมาค้ำไปหรืออยากจะนั่งรถเข็นแล้วก็เข็นไปดังนั้งที่เดินเหินไปไหนได้สะดวกใจของเราไม่ได้ไม่ไม่พึ่งการอะไรเลยไม่ต้องพึ่งพาอ า, อาศัยอะไรเลยซึ่งที่จะให้ใจ น, นั้นมีทางสิตได้ไม่ต้องพึ่งพาลูกเสียงกินรดโปรตพระไม่ต้องพึ่งพาลาบยุสรเสร่ญแต่พวกเราทุกวันนี้ติดพึ่งพาลาบยุธ ส, สรเสื สุคนี้กันตลอดเวลาเวลาได้อะไรมานี่ดีออกดีใจกันเงินเดือนขึ้นนี่ก็ดีใจกัเงินเดือนลงไปก็ <c oughs> ก็สเสียใจละนี่แหละเป็นเป็เพราะว่าเราไม่เคยสุดจิตให้มันอยู่โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งต่างๆมาข้ามคอไม่ต้องมีอะไรมนาะพยุงจิตเนี่ยคือเอาธรรมะนี่แหละการปฏิบัติธรรม เป็นการที่จะทำให้จิตเป็นอัตาตาอิสตานโนนาโถขึ้นมาได้เป็นเป็นที่พึ่งของตนได้จิตที่มีความสงบแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีความจำเป็นแคบอะไรเลยล้วนเลยที่อยู่ที่กินที่อะไตายก็เพียงแต่ดูแลร่างกายที่มั น, นร่างกายต้องอาศัยตัดกายสีถึงจะอยู่ได้และที่ที่ดูแลร่างกายนี้ไปก็เพื่อที่จะเอามาทําประโยชน์เท่า น, นั้นเองคือตอนเองได้ ได้หมดภารกิจของตัวเองแล้วอย่า ง, งเช่นพระพุทธเจ้าฆ่าละหันต่างๆท่านไม่มีภารกิจที่ต้องทำต่อไปแล้วผิตของท่านเป็นที่เครื่องของตนเองได้แล้วจิตของท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วแต่ท่านยังมีร่างกายเหลืออยู่ก็เอามาสอนคนอื่นเอาร่างกายนี้เป็นเป็นเครื่องมือเพราะจะพูดกับคนอย่างพวกเรานี้ต้องมีมีปากพูดใช่ไหมถึงจะฟังกันเรื่อง ถ้าเป็นพวกเราเป็นเทวดาก็ไม่ต้องมีร่างกายนี้ก็ได้ท่านสามารถสอนทางจิตใจได้จนตอนที่ตอนเด็กๆพระพเจ้าก็ทรงสนทนากับเทวดาจะใช้กระแสจิตเป็นเป็นการติดต่อัเทวดาก็ไม่มีรู ป, ร, ปรูปอย่างเหมือนพวกเราเขามีจิตเนี่ยจิตของเขาแต่เพียงแต่ว่าจิตของเขานั้นยังมีกิเลสอยู่แล้วยังไม่เข้าใจอะไรหลายอย่าง แล้วก็มามาศึกษาจากพระพุทธเจ้าเขาก็สอนเหมือนกับสอนพวกเราสอนอย่างเดียวกันสอนเืงพระอริยาาสัจสีเป็นส่วนใหญ่นี่ก็คือทำไมเราจะต้องมาเจรแลวสติปัญฐากันก็เพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึงธรรมชาติที่ใจเราไปเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็นอย่างไร ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปยึดกับมันอย่าไปหวังอะไรจากมันเพราะเวลามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังวเราอาจะเสียใจศึกษาเพื่อเราจะได้ป่อยวางดูร่างกายนี้จนเข้าใจว่าเนี้ยร่างกายเนี้มันเป็นยังไงท่านถึงบอกให้ต้องเริดูตาช้าไงไปดูไ ป, ไ ป, ไ, ป, ไ, ปไปชมป่าช้าไปดูสภาพของร่างกายของเราที่จะต้องเป็นไปในวันขนา้างหน้า จะต้องกลายเป็นซากศพไปถ้าทิ้งไว้ในในตาช้าก็จะมีแรงมีการมากับมากินแล้วเน่าเปื่อยไปตอนน้นยที่สุดก็เหลือแต่โครงกระดูกหรือในที่สุดกระดูกนั้นก็ผุก็เปื่อยกลายเป็นดุนไปนี่คือการศึกษากายรู้รูกสติปัฏฐานอยู่ที่กาย ก, ายกายกตาสติจะให้รู้ สองลักษณะด้วยกันคืออนิจจังทุกขงังอนัตตาและอสุภะไม่เสียเงาเห็นจะหลุดพ้นจากการยึดติดในกายได้ผู้ที่พิจารณาร่างกายได้อย่างละเอียดละออหมดจดทุกส่วนนะก็จะกันธ า, า, าอนาคามีชื่ธาาคามีนี้จะไม่มีความยินดีในในร่างกายต่อไปเห็นแล้วก็จะไม่มีเกิดราคะกันขนาาึ้น้น ไม่ไดเห็นว่าเสือว่างานว่าอยากจะมาเอามาเป็นคู่ทองด้วยเลยว่าใครอยากจะไปกอดกองเอ่อเกาะกาะโครงกระดูกบ้างจริงๆแล้วโครงกระดูกนี่มันถูกหนัหุ้มห่อยอยู่เล ม, มองนี่เห็นใอยากจะไปกอดกองอวัยวะต่างๆตับไตไส้ติ่งนันก็อยู่ในร่างกายนี่เพื่อแต่เวลามองมันไม่ได้มอง ไ, มได้ปัญญามันมองได้โมหะความหลง วองวองอสุภะเป็นสุภะไปอสุภะเป็นไม่ความไม่สวยงามเห็นว่าเป็นของสวยงามไปวองนิจจังอนนิจจังว่าเป็นนิจจังมองว่าสิ่งที่ไม่กีรังทาวอนเนกีรังท้าอวอมองว่าสิ่งที่ให้ความทุกข์เป็นความสุขพอเราได้คู่ความมาแล้วมันสุขที่ไหนต้องทะเลาะกันบ้างต้องมีเรื่องมีราวต้องห่วงใยกัน กี่ปาถะร้อยแปดก็เป็ น, ว น, นคนว า, นมนามทุกข์ใจขึ้นเดียงกันนี่ให้เรียกว่าเปทุกข์อันนี้จำทุกขันแล้วก็อานาสาก็เป็นแค่กองดิมน้ำดิมไฟเท่านั้นเองรวมกันเหมนกับเราทําขนมแล้วก็เอาน้ําตาลเอาแป้งเอาไขา่มาผสมกันแล้วก็เอามาใส่ในแม่พิมพ์ทำเป็นรูปตา่างๆก็เป็นขนมชนิดไหนก็ได้มันก็มาจากไอ้แป้งน้นําตาลกับกับไข่อะไรพวกนี้ทั้นเอง แต่เราสามารถทําเป็นหลากหลายชนิดได้เป็นเค้กก็ได้เป็นคุกกี้ก็ได้เป็นอะไรก็ได้มันก็มาจากไอ้แป้งน้ําตาลกับไข่วันนี้ได้เวลาพิจารณ <c oughs> า, ยาเรืองนี้หลังขานี้ก็พิษารณาได้อย่างดับหยักเดียกว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกันไปแล้ว ปัญหาของของญาติโยมก็คือว่ามันเวลาที่เป็นเราไม่พอทํางานมันไม่มีเวลาทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเพราะวันวันในนี้จะต้องไปยุ่งกับงานอย่างอื่นที่ทําให้เราไม่มีเวลามามองความจริงด้านเราจะไม่มองความจริงด้านน่งในเรื่องการทำมาหากินทําอย่างไรจะให้มีวลาดได้เพิ่มขึ้นอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้เราจะคิดไปเดินทางนั้นเมื่อมีรายได้ขึ้นมาแล้วจะทํางไรกับเงินที่ได้มา จะเอาไปเที่ยวไหนดีจะไปกินอะไรดีไปซื้ออะไรดีจิตใจมันก็คิดแต่เรื่องราวเหล่านี้เรื่องหาการเรื่องใช้เลยไม่ได้มีเวลาที่จะมาคิดเรื่องเหล่านี้เหมือนถ้าเราเรียนหนังสือ ม, มันมีหลายวิชาวิชาธรรมะเราไม่ค่อยเรียนกันเราชอบเรียนวิชาทางโลกกันมากกว่ามันก็เลยมันก็เลยติดอยู่กับโลกหลงอยู่กับโลกถ้าเรามาเรียนวิชาทางธรรม เราก็จะเกิดปัญญาที่จะทําให้เราปล่อยวางโลกได้แต่มันยากเพราะว่าหนึ่งกายของเรานี่มันมีเจ้าของครองอยู่แล้วคือกิเลสกิเลสมันไม่ชอบทำหน้าโดยหลักดงั้นเราจะเข้าสู่ธรรมะนี่เราต้องแบบมันกัแหกคุปปออกมาจะไปวัดสักทีจะไปทําบุญสักทีเราจะ ป, ปฏิบัติธรรมสล้วี่เหมือนจะวิ่งแหกคุปปออกมา แต่ถ้าจะไปเที่ยวนี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อ ง, องหหก้ลยร่างกายอย่างสบาย <c oughs> แล้วยังที่ยังบอกว่าที่ยังพิจารณาไม่ก็เห็นเขาพอใจของเรามั น, ม, นมันไม่มันไม่มาทางนี้มันไม่มาทางนี้แต่ถ้าเราเริ่มได้ยินได้ฟังได้เดี๋ยวศึกษาเราเห็นว่ามาทางนี้มันมีคุณมีประโยชน์เหมือนกับวิ่งหนีออกจากกองขยะมาสู่กองเพชรกองเงินกองทอง ถ้าอย่างนี้ก็จะทําให้มีชั้นทะมีกำลังใจที่อยากจะวิ่งออกแต่เรามองไม่เห็นว่าเราอยู่บนกองขยะ ก, กันกองขยะของพวกเราเนี้กลับกลายเป็นเหมือนเท็จเท็จจริงจิงดาเพราะพังหลงเลยทําให้เราหลงติด อ, อยู่กับกองขยะถ้าดูพระพุทธเจ้าท่านก็ขาะอยู่ในวังอะ่ะใช่ไหมในวังนี้ในสายตาของกิเลสมันก็มันมันเป็นสวรรค์อะ่ะสว่รค์บนบนบนรโลงนี้เลย ในสายตาของนักปา่ามิกลับเห็นว่าเป็นกองขยะเพราะว่ามันจะถูกให้เราติดอยู่กับวงจรของความแก่ความเจ็บความตายพระเาต้องการที่จะดิ้น ใ, ให้พ้นจากวงจรแห่งความแก่ความเจ็บความตายจึงศึกษาถามเรื่องรานต่างๆดู เห็นคนที่เป็นนักบวชก็ถามว่าพวกนี้เขาทําอะไรกันคือตอนต้นเฉลยออกพราตก็จะเห็นคนแก่ก็ถามว่าคนแก่นี้มาจากไหนก็ได้คำตอบก็มาจากพระองค์นั่นแหละพระองค์ทั้งวันก็ต้องเป็นเหมือนเขาคนเจ็บก็เหมือนกันเนี่ยคนตายก็เหมือนกันเน่ะคือพระองค์ในวิสุทก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ไปเห็นสัมณะนักบวชก็ถามว่าพวกนี้เขามาจากไหนเขาทาอะไรแล้วก็เป็นคนเหมือนท่านนี่แหละแต่เขา เขแสวงหาทางออกจากความแก่ความเจ็บความตายกันดังนั้นก็เลยอ๋อถ้าอยากจะออกจากความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายก็มีมีคนเข้าแสวงหากันอยู่ก็เลยอยากจะทดลองดูบ้างอลไรพอดีได้จังหวะวันเคืนที่ได้ข่าวว่าได้คลอดสมัยศรีได้คลอดก็ลาหุนลงมาเรวได้ยินว่าได้ลูกชายแล้วท่านก็อุทานว่าลาหุนลาหุงก็แปลว่าบ่วง ถ้าอยู่ลูกนี่กันบวงจะร้อยคอถูกมัดให้พ่อแม่ที่มีความถูกพันก็เลยตัดสินใจหนีไปอย่างนั้นเล ย, นนยลลล ไ, ปลไปอยู่แบบ น, นักบวชจากสายตาพวกเราเหมือนจากสวรรค์ลงไปสู่นรกอยากในวังไปอยู่แบบขอทานจะกินที่ไหนจะนอนที่ไห น, นก็ไม่รู้ นอนก็ตามมีตามเกิดตามโคนไม้ในท่องในอะไรกินก็แล้วแต่จะชาวบ้านเขาจะหลวงระเหมือนขอทานอะไรนนั่นก็ถือถือภาชนะบาตอะไรเข้าไปในอยู่บ้านแล้วก็รับอาหารที่เขาจะให้มาแล้วแต่เขาจะศรัทธาใจกก็ไม่ได้ทรงถือว่าเป็นเรื่องหนักอกหนักใจเพราะสิ่งที่ท่นานต้องการนั้นมันรู้สึกว่ามันมีค่ากว่ า, าการ ท, ที่ท่านได้เสียสิ่ง ความสะดวกสบายทางด้านร่างกายไปทางหน้าทางใจสี่ไปท่ทานก็อยู่ต่อสู้อยู่ถึงหกสีด้วยกันขณะที่เสด็จท่านก็บรรลุได้ปัญญาขึ้นมาได้เห็นว่ า, ท, าทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาบรรลุแล้วก็ปล่อยวางจิตก็พ้นจิตก็ไม่ยึดไม่จิดรรอะไรต่อไปเห็นอะไรก็สักว่าเห็นจิตก็เป็นเหมือนกับกระจ สะท้อนเงาสะท้อนความจริงของทุกอย่างความจริงที่เราเห็นแล้าวว่าดีบ้างไม่ดีบ้างใหญ่กระจกมันไม่ไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีมันสักแต่ว่าอย่านั้นอย่ที่ทรงสอนว่าเวลาเห็นอะไรก็ให้ให้สักแต่ว่าเห็นเวลาได้ยินอะไรก็ให้สักแต่ว่าได้ยินอย่าไปเห็นว่ามันเป็นนั่น <c oughs> เป็นนี่เป็ น, นเราเป็นของเราแล้วจิตก็จะได้ไม่ไม่เดือดร้นอนกับสิ่งต่งางๆที่เห็น มีเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตรงกันข้ามกับความรู้สึกนึกคิดของพวกเราถ้าไม่ได้วิเคราะห์พิจารณาจริงๆก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้ามองเห็นความตายอยู่เรื่องยวนี้มันก็อาจจะมีอะไรที่จะเตือนสติเราได้ถ้าเราคิดว่าสักวันนึงเราต้องตายจากโน่นนี้ไปหรือคนที่เรารักโน่นจะต้องจากเราไป แล้เราจะรู้สึกอย่างไรถ้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขเลยเป็นปุจคำสุขบางต้นแต่มันเป็นความทุกข์บางปลายเราซื่มาหาวิธีทําให้ไม่ทุกข์ไม่ดีกว่าไหมเมื่อเราได้ยินได้ฟงังจากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้ามันก็เป็นบุญนเป็นวาสนาของพวกเราเพราะถ้าโดยลําพังแล้วเราก็คงจะไม่ไม่คิดแบบพระพุทธเจ้าเป็นคิดกัน เราก็จะทึ่งกอดอยู่กับกองอ น, นิจังทุกขังอนัาตา น, นี้ตั้งถึงแม้จะพิ่งจะทรมารอย่างไรก็ปล่อยวางไม่ได้เพราะยังไม่เคยสัมผัสกับความสุขอีกแบบนั่นเองถ้าเราได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตแล้วทีนี้จะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อถึงแม้จิตจะไม่มีอะไรเลยถึงแม้จิตจะต้องอยู่ตามลาพัง ใจิดที่สงบนั้นจะไม่มีความรู้สึกว่าวิงจะไม่รู้สึกว่าขาดอะไรไปเป็นจิตที่มีความอิ่มมีความสุดมีความคออยู่ในตัวของเราที่พวกเราต้องมาวาัดกันนี่นก็เพื่อที่จะมาทําจิตใจของเราให้สงบทีนี้แต่ละคนนี่ก็จิตใจอยู่หลายระดับด้วยกันบางคนก็ทําจิตให้สมมงบง่ายก็แสดงว่าเคยทํำมาแล้ว ถ้เป็นนักเรียนก็นเหมือนกับย้ายจากโรงเรียนอื่นพอ เ, เรียนชั้นป .6 แล้วพอมาเรียนโรงเรียนนี้ก็ให้พป .7 ได้เลยบางคนก็ยังไม่เคยเรียนหนังสือเลยมาเข้าโรงเรียนนี้ก็ต้องท่าป .6 ไปก่อนจิตของพวกเรากแบบนี้เราสะสมบุญบารมีในแต่ละภพในแต่ละชาติมาไม่เท่ากันแล้วทําดีทําบาสมาไม่เท่ากันเมื่อเรามาถึงชาตินี้แล้วเราอยากจะเรียนชั้นสูงเชื่อนเรายากจะมาพอนะ แต่เราก็ทําไม่ได้เพราะเรารู้ ส, สึกว่ามันมีอุปสรรคไฟหมดแต่กินจะอยู่แบบนะักขอนานาก็รู้สึกลําบากจะให้นั่งเฉยเฉยให้สงบสักสิบห้านาทีก็รู้ ส, สึกอึดอัดใจนั่งไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ผ่านชั้นที่ต่ำกว่านี้มาเราก็ต้องเลื่อนขัย่างไปรักษาสีลก่อนรักษาสี่รู้สึกรักษา ย, ยากก็ต้องลงไปชั้นทําทําทานก่อนทาทาน ทับทานไปเรื่อยๆเพราการทำบุญทำทานนี้เป็นการปล่อยวางความยึดติดในวัตถุเข้าของเงินทองนั่นต่างเม่เราทำบุญไปเรื่อยๆแลทับทานไปเรื่อยๆจิตใจเราจะได้ความสุขจากการปล่อยวางวัตถุเข้าของเงินทองเราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีความสุขอีกอย่างนึ่งที่เกิดขึ้นจากการให้ไม่ได้เกิดจากการได้มาซึ่งเป็นความสุขที่ละเอียดก็ความสุ่ที่เกิดจากการได้มาเวลาได้มาเราก็มีความสุข แต่ไม่มีความสึกที่ทําให้เกิดความคิดตามนั้นก็คือครั้งหน้าเราอยากจะได้มากกว่าเดิมวันนี้เราได้สิบบาทพรุ่งนี้เราอยากจะได้ยี่สิบบาทแต่เวลาเราทําบุญให้ทางเราจิตใจจะมีความอิ่มเอิแต่ไม่รู้สึกว่าเสียดายเงินที่ให้ไปน่าจะไม่รู้สึกว่าอยากจะได้ใหม่ถ้าทามากๆแล้วต่อไปมันก็จะเห็นแล้วว่าเงินทองที่มันไม่มีความจําเป็นกับเรานี้เราไม่ต้องไปหามาให้มันเหนื่อยยาก ถ้าเราไม่ฉลาดเราก็เอาไปใช้สร้างเพิ่มความทุกข์ให้กับเราด้วยการเอาไปเลี้ยงกิเลสปัญหาเห็นเสื้อผ้าสว ย, สวยๆยามยามก็ซื้อมาใส่เห็นอะไรใหม่ๆก็ซื้อมาใช้ไปได้ครัง้งสองครั้งก็เบือ่อแล้วก็อยากจะได้ของใหม่มันก็จะทําให้เราหิวกะหายอยากของใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้าเป็นอย่างนี้หาเงินมาได้เท่าไรก็ไม่พอใช้ก็ <c oughs> จะต้องไปทําผิดศีล ถ้าหาเงินมาด้วยความสุจริตไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องไปช่อโกงด้วยวิธีใดวิธีนี้แต่ถ้าเราให้ทานอยู่เรื่อยๆแล้วจิตใจมีความอิ่มขึ้นมาไม่หิวกับเสื้อผ้าอ่างพรของใช้ใหม่ๆทุกอย่างเรามีของเก่าใช้อยู่มันใช้ได้ก็ใช้ไปพอใจจิตใจมันก็ไม่หิวกระหายเงินทองที่ที่มีอยู่ก็ไม่หมดไปเราก็ไม่ต้องไปทำการทำทุจริตก็ลเลยทําให้เราเริ่มมีมีศีล ข, ขึ้นมา เราจะทำะไรเราก็ทำด้วยความถูกต้องเพราะเรารู้เวลาทำผิดศีลแล้วมันทำให้จิตใจเราวุ่นวายทำให้จิตใจเราทุกข์เนะั้นถ้าเราจะหาเงินมาก็ต้องหามาด้วยวิธีที่ถดใจไไม่ไปเป็นธรรมอธินาทานาไม่ไปแล้วมวดศีลน้อเนา่จากทา ม, มันก็จกะพาเราก้าว ส, สู่ศีลเมื่อเรารักษาศีลไปจิตของเราก็จะมีความสงบ เมื่อมีความสงบแล้วก็อยากจะหาความสงบเพิ่มขึ้นทนี้เราก็จะเข้าเป็นภาวนาได้แล้วกานั่งสมาธินังอะไรนี้มันจะมันจะง่ายขึ้นเพราะกิเลสปัญหาที่อยากจะไปหาความสุขกภายนอกนี่มันมันถูกถูกตัดไปถ้าเป็นต้นไม้ก็เหมือน ก, นการกริ่งก้านของต้นไม้นั้นได้ถูกตัดไปแต่ตัวตัวต้นมะตัวต้นยังไม่ได้ถูกตัด ต้องต้องต้ององสสาศัยการภาวนาที่จะเข้าไปทำจิตให้สงบเต็มที่โดยการนั่งสมาธิทำจิตให้สงบ <c oughs> จิตรวมเป็นสมาธิแล้วมันก็จะเห็นความสุขแท้จริงแต่มันจะเป็นความสุขชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิเพราะจิตออกมาจากสมาธิแล้วไปเห็นรูปไปได้ยินเสียงกิเลสก็จะทำงานต่อ จากความสงบไม่ได้การเป็ความรุ่นรานขึ้นมาได้เช่นไปเห็นใครก็าทำอะไรแล้วทําให้เกิดความโกรธขึ้นมาความโกรธนี่มันก็จะเหมือนไฟที่ลุกขึ้นมาจิตที่มีการสงบเราจะรู้ทันทีแล้วว่านี่คื อ, ค, อคือเป็สิ่งที่จะต้องกําจัดคือความโกรธปล่อยให้โกรธไม่ได้เพราะเวลาโกรธนมันเหมือนกันกบไฟเผาใจที่จะทํางานที่จะดัะ บ, บความโกรธได้ก็ต้องใช้ปัญญาแล้วนิพพานาปัญญา ก็ดูว่าไม่ต้องไปโกดธหรอกทุกสิ eh ่งทุกย่างเขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขาคนที่เรากดเราไม่ต้องไปทำร้ายเขาหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขาเองเดี๋ยวเขาก็ต้องแก่เขาก็ต้องเจ็บเขาก็ต้องตายไปเราไปมีเรื่องของเ้าเดี๋ยวก็มีการสร้างเวรสร้างกรรมกันมีแต่ความช่วยกันท่วยอมรับความจริงของเขาดีกว่าเขาอยากจะทําอะไรเป็นสิทธิของเขาถ้าเราเห็นได้แล้วก็ห็น ถ้าหลกไม่ได้ก็ต้องทำใจทำใจให้นิ่งเฉยไว้แล้วก็รอให้มันผ่านไปถ้าเราไป ม, มีปฏะติกิเลสต่อสู้กันเดี๋ยวมันจะเรื่องยาวทันีไม่ดีอาจจะต้องตายจากโลงนี้ไปด้วยกันก่อนเวลาที่สมควนี่คือวิปัสสนาเคือทำสมาธินั้นเพียงแค่ทำให้จิตสงบเวลาจิตอยู่ในสมาธิไม่ต้องไปเจริญปัญญาเพราะการเจริญสมาธิต้องการให้จิตนิ่ง เหมือ น, นกับคนที่ต้องการจะพักนอนหลับเวลาหลับไปแล้วอย่าไปปลุกขึ้นมาให้นอนให้เต็มที่แต่กระทั่งตื่นขึ้นมาเองสิทธิ์เวลาอยู่ในสมาธินิ่งอยู่นานสักเท่าไหร่ก็ปล่อยให้มันอยู่ไปมันกําลังพักเพื่อมันอิ่ตัวแล้วมันก็จะถอนออกมาเองเอถอนออกมาก็จะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดในเรื่องที่จะสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาแก้ห่วงเพราะนั้นห่วงได้ไงเดี๋ยวเขาก็ต้องตาอยู่ดี ห่วงยั iedzieć, oh. งไงก็ต้องตายอยู่ดีไม่ห mm ่วงไม่ด hmm. ีกว่าเลยไม่ห่วงก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเรื่องของเขาห่วงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องใจพวงนี้มันทําให้เรามีความทุกข์ไม่ห่วงมันไม่ทําให้เรามีความทุกข์ความห่วงไม่ห่วงมันเปล่นมันมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของเราแต่เราไม่ได้สามารถไปเปลี่ยนแปลงในตัวของผู้อื่นได้คนที่เราไปห่วงเขาหัวเขาจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเขาจะเป็นเราก็แล้วก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดี เพรา้นเราอย่าไปห่วงเรามีความมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลกันก็ดูแลขึ้นไปมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูกันก็เลี้ยงดูขึ้นไปแต่ไม่ต้องไปห่วงห่วงไม่ได้หรอกเพราะในที่สุดมันก็ต้องสลายหมดไปชีวิตของพคนเราทุกคนยังมีจุดจบด้วยกันทั้งนั้นเราจะอยู่แบบไห น, นอยู่แบบห่วงแนละ้วแบบทุกหรเราจะอยู่แบบไม่ห่วงแนละ้วมีแต่ความสบายใจจุดจบมันก็เท่ากันเหมือนกัน นี่คือวิปัสสนาปัญญาถ้าเราเห็นอะไรเป็นตายลักเราเห็นว่าอะไรไม่ใช่เปนของเราแล้วมันก็ง่ายขึ้นเวลาลูกคนอื่นเขาตายไปเราเดือดร้อนไหมไม่ได้ร้องห่มร้องไห้แต่พอลูกเราตายไปนี่พุ้นไหวใจจึงไม่ได้นอนไม่หลับลูกของเขากับลูกของเรามันก็อาการสาสิบสองเหมือนกันทำ น, นิจจางทุกขังอนาัตตาเหมือนกันเมื่อเขาถึงเวลาที่เขาจะต้องตายมันก็ต้องตายเพราะทาบุญมาแค่นี้ เนื่งมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้เขาอยู่ได้เพ่งแค่นี้ตั้งแต่เด็เราไปร้องห่มร้องไห้เขาก็ไม่ฟื้นขึ้นจากคนเดียมีแต่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราป่าประโยชน์ต่างๆเพราะเราขาดปัญญานี่เองแต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็เฉยมันตายก็จัดงานศพให้มันเผาว่ามันเส็จเืออย่าง <c oughs> เป็นเยื่อฟังตายมันจะทํายังไงอะใช่ไหมนี่คือวิปัสสนาเพื่อที่จะมาปลดเครื่องความทุกข์ ให้จักใจของเราในการจะเจริญวิปัสสนาได้มันต้องอาศัยสมาธิเป็นยื่งต้งนับถ้าจิตไม่มีสมาธินี่มันทําใจไม่ได้แต่ถ้าจิตมีสมาธิแล้วแล้วพอระลึกถึงอนิจจังทุกข์อนัตตาความว่างวุ่นวุ่นวัวมันก็จะดับลงมันยอมรับได้มันก็จะกลับไปสู่จุดของสมาธิจุดที่จิตสงบแต่ถ้า ถ้าไม่มีสมาธินี่เวลาจะปองจะวางมันไม่รู้จะไปปองที่ยำแหน่งเพราะจิตมันไม่เคยสงบมาก่อนมันก็มันก็ปองอยู่บนความวุ่นวายคิดคิดไม่ตกปองไม่ตกแต่ถ้ามันมีสมาธิแล้วมันสงบตกเี่เราจะต้องเสียเสียสมบัติเสียงานเสียการนั้นทุกอย่างไปถ้าเรามีสมาธิเราปสงตกไม่เป็นไรไม่มีงานทําไม่เป็นไรฉันเข้าสมาธิไ่้ของฉันได้ ความอยู่ในสมาธิแล้วฉันสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นดัน้นคนที่มีสมาธิแล้วมีที่พึ่งเพียงแต่ว่ายังไม่เป็นที่พึ่งที่ถาวรนั่นเองที่สถาวรก็ต้องอาศัยปัญญาเพราะปัญญาจะเป็นตัวตัดเป็นถอนรากถอนโคนของความโลภความโกรธความหลงควา ม, ามอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตใจสมาธิเป็นเหมือนกับตัวไปไปบีบหรือไปกดไม่ให้กิเลสตัณหาทางาน เหมือนกับหินทับหญ้าเรามาที่นี้เหมือนกับหินทับหญ้าเวลาหินทับอยู่บนหญ้าหญ้ามันก็จเจริญงอกงามออกมาไม่ได้แต่พอยกหินออกทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวย้ามันก็มันก็โผล่ขึ้นกลับขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเราต้องการที่จะทําลายหญ้านั้นเราต้องถอนรากถอนโคนด้วยจอบด้วยเสียมด้วยเครื่องมืออะไรก็ตามที่เลืก็ต้องถอดถอนด้วยปัญญาปัญญาก็คือตายรักนี่ ถ้าเห็นแต่ใจรักแล้วจะจะจะไม่เกิดความโลภเกิดความโกรธติดต่อไปเพราะมันเกิดจากความหลงความโยกความโกรธนี่มันมาจากความหลงหลงว่าเป็นของเราเพราะอะไรเป็นของเรานี่มันหายไปนี่ร้องโหมร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเป็นของคนอื่นหายไปไม่ไม่เดือดร้อนเลยทั้งทั้ที่มันก็เป็นสมบัติชิ้นเดียวกันนั่นแหละแต่พอเราให้เขาไปแล้วเช่นเรามีรถคันหนึ่งเรารถคันนี้เราให้คนอื่นไป พอรถคันั้นมันความมันหายมันทางไปเราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเรายังไม่ได้ให้ใครยังเป็นของเราอยู่พอมันกอะไรขึ้นมาใจของเราก็ทุกข์ละมันอยู่ที่ว่าเราไปมองมันอย่างไงท่านเ้งถ้าเป็นมองว่ามันเป็นของเรามันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเป็นมองว่ามันไม่ใช่เป็นของเรามันก็จะไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราพระองค์ยิ่งสอนให้เรามองว่าสดุธรรมนักต่าง ทำทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เราไ ม, ม่ของของเราทำนั่นเองของเนีของยืมม่ใช้มีอะไรก็ใช้กันไปให้มันเกิดประโยชน์เช่นเอาไว้ดูแล ร, รักษาสุขภาพร่างกายให้ชีวิตของเราอยู่ไปอย่างอย่างสะดวกอย่างสบายแล้วก็มาทําำบุญทำประโยชน์ทําบุญทำกุศลเพื่อทําให้จิตใจของเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์สิ่งต่างๆนั้นก็มีหน้าที่ถึงแค่นี้เองเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องรับใช้ เราในการปฏิบัติธรรมให้ให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทุกวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่นี้อย่าจะเป็นนาเสรืีจะเป็นนายกเป็นพระเจ้าเป็นยุทธ์หรอเป็นประธานาธิบดีก็ต้องต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองมีอยู่เป็นอยู่ไปเพราะมันเป็นสภาพของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ใช่เป็นสมบัติของใครทั้งสิ้น ถ้าเราก็ใจเหล่านี้แล้วเราก็ปล่อยวางได้ะฉ <c oughs> นั้นปัญหาของพวเราคือการต่อสู้กับกิเลสเพราะทุกขณะจิตของเรานี่มันจะคิดันในทางกิเลสเราจะต้องพยายามดึงให้มันมาทางธรรมะให้ได้เช <c oughs> ่นวันวันนี้แทนที่จะไปเที่ยวเราก็เดินหลัอมาไปแล้วอาจจะมาบ่อยขึ้นอาจจะไปอยู่วันสักสามวันห้าวันเจวัน แทนที่จะไปอินเดียกันเนี่ยไปปฏิบัติธรรมกันดีกว่าแต่ไปอินเดียสำหรับบังคนก็อาจจะจำเป็นเพราะเขายังผูก ม, มีความผูกทันอยู่กับสถานที่เรื่องราวต่างๆภายนอกไปสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นประโยชน์จุดของเขาอาจจะเกิดความซาบซึ้งใจก็ความสงบขึ้นมาแต่มันก็สู้กับความสงบที่เกิดจากการเราไปปฏิบัติในปาในเขาไม่ได้ แต่เขาก็ต้องอาศัยแบบนั้นไปก่อนขึ้อนอยู่กับจิตใจของแต่ละคนที่ได้รับการพัฒนามามากน้อยเพียงไรบางคนไปแล้วมีความทราบซึ้งใจมัน จ, จะกลับไปหลายครั้งก็ ม, มบีบางครัน้น ง, ทงทีนน ง, ททงไปแล้วมันจะเข้าสมาธิใส่แต่ว่าในขณะเดียวกันประโยชน์ที่ได้รับฟัง พยายามดึงไว้ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรก็มันประโยชน์มันได้ทั้งสองแบบนีคือได้แบบความสงบก็ได้แล้วได้แบบปัญญาก็ได้ถ้าจิตเราอยู่ในระดับสมาธิมันจะสงบก่อนมันจะไม่ค่อยอยากจะพิจารณาตามก็ปล่อมันไปตามเรื่องของมันเองแต่ถ้าเป็นจิตที่ชอบพิจารณาตามมันก็จะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดปัญญาที่นียกวามีความเห็นที่ถูกต้องระดับจิตของคนมันต่างกัน องฟังทำเพื่ออาศัยทําเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเครื่องกล่อบใจให้สงบเพราะโดยลำธรรมบางทีเวลานั่งทําเองแล้วใจมันจะวอกแวกมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอเวลานั่งฟังทำแล้วมันมีเสียงธรรมะไว้เป็ น, เ ป, นเป็นตัวเกาะจิตมันก็เกาะอยู่กับเสียงนั้นแต่ไม่ได้พิจารณาต่างฟังไปฟังไปแล้วจิตมันก็สงบนิง่งแต่ไม่รู้ว่าฟังเรื่องอะไรก็ไม่เป็นไรคือได้ไ ด, ได้ได้ทั้งสองอย่างนอกจากประโยชน์ แล้วแต่แล้วแต่ฐานะของจิตของแต่และคนบางคนฟังเพื่อให้เกิดสมาธิแ ก, กิความสงบก็ฟังไปก่อนเพราะเราต้องมีสมาธิเป็นเรื่องต้นก่อนเป็นฐานของปัญญาถ้าเราฟังแล้วพิจารณาแต่ถ้าจิตของเราไม่สงบนี่เราจะเราจะโปรงไม่ตกเราจะไม่เข้าใจแต่ถ้าจิตของเรามีสมาธิแล้วเราจะโปรงตกจะเข้าใจ เพราะในหลักของการฟังธรรมนี้ท่านอรรถดายมีอณิสง์อยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังในเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นสามพัฒนาความสงสัยจะได้สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องห้าทำจิตใจให้ผ่องใสสงก็มีอนิสงทั้งห้าประการแต่ก็ไม่ได้นะครับว่าเราจะได้ทั้งห้าประการเน ในการฟังแต่ละครั้งบางครั้งฟังไปแล้วก็ความสงสัยก็ยังอาจจะมีอยู่ก็ได้บางครั้งฟังไปแล้วความสงสัยหายไปก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นที่พูดนี้ต้องหมายถึงคนแสดงก็ต้องเป็นคนแสดงที่รู้ธรรมะคนฟังก็มีสติฟังถ้าคนแสดงแสดงไปแต่ตัวเองแสดงธรรมะแบบผิดๆถูกๆดีไม่ดีจะสร้างความสงสัยสร้างความสับสนให้คนฟังมากขึ้น สมัยนี้เราฟังธรรมยังไม่ค่อยบรรลุธรรมนันเ ท, ท่าไรแต่สมัยพุทธกาลนี้เวลาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านี่จะบรรลุธรรมกันเยอะเพราะผู้แสดงคำพูดแต่ความจริงวนน้อยเปอร์เซ็สมัยนี้ผู้แสดงดีไม่ดีเอาความโมหะเอาความหลงของตนมาสอบแทกในสิ่งที่ตนเองแสดงออกไปคนฟังก็เลยลังเลใจาพิจารณาแล้วมันไม่ตรงกับความจริงมันก็มันก็ ล, งลังเลสงสัยมันก็ไม่สามารถที่จะ ตัดได้ไม่สามารถที่จะโร่งได้ไม่สามารถที่จะบรรลุได้หรือคนฟังสมัยนี้อาจจะฟังแบบเล่นพิธีก็ได้เช่นบางคนไม่ชอบหาสาวพิงหาสาวพิงพลยอท้าตังน้มเงขอก็รักฟังนี้ฟังไปร้อยชาติกไ็ไม่ไม่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ของอะเมือนทัอพีในหม้อแกง ไม่เหมือนเลิ้นกับแกงนะแล้วลิ้นกับแกงนี่คํำพูดทุกคําที่ออกมานี่จะเข้าไปในใจทันทีจะไม่มีอย่างอื่นมาแทรกบางคนนั่งฟังไปแต่ใจคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไปลตลอดเวลาแข่งกับเสียงที่เข้ามาถ้าอย่างนั้นเราฟังไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะการแสดงตามนี่มันเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลมันต่อเนื่องกันไปถ้าเราขาดตอนใดตอนหนึ่งไปแล้วเหมือนเราไปดูหนัง เราดูหนังเราดูดูตอนต้นแล้ว เ, เดี๋ยวเราออกไปเข้าห้องน้ําพอกลับมาดูอีกตอนนี้มันมันไม่รู้เรื่องละเอ้เกิดอะไรขึ้นในระหว่างที่ตอนที่เราไปเข้าห้องน้ํา <c oughs> ไอ้เวลาเราฟังธรรมก็เหมือนกันเวลาเราฟังธรรมแล้วเดี๋ยวเราเกิดไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอกลับมาฟังอีกทีให้ท่านพูดถึงตรงไหนละเกี่ยวกับอะไรละมันไม่ติดต่อมั น, มนก็จะไม่ได้ประโยชน์ฉนั้นสติในการฟังธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าคนมีสติมากเท่าไหร่ก็จะสามารถได้รับประโยชน์มาก ขึ้นอะไรยิง่งย้อนกลับมาให้จะให้ให้ใหจเจริญสติปัฏฐานสี่พยายามฝึกจิตให้อยู่ในปัจจุบันสติก็คือการทําให้จิตยอยู่กับที่ไม่ให้ลอยไปลอยมาถ้าเป็นเรือสติก็เป็นเหมือนกับสมอเรือถ้าเรือทอดสมอแล้วเรือมันจะไม่ไหลไปตามกระแสน้ำ น, น้ําจะพัดมายังไงเรือมันก็ยังจอดอยู่กับที่ได้แต่ถ้าไม่มีสมอเรือทอดไว้แล้ว น้ำไหลมาเรือมันก็จะไหลไปตามน้ำในจิตเราก็มีกระแสจิตเหมซึ่งป็นเหมือนกับกระแสน้ํำก็คืออารมณ์ต่างๆที่มันลอยมาอยู่เรื่อยๆมีอารมณ์อะไรลอยมาปั๊บมันก็ชวนเราคุยด้วยแล้วก็คุยกันไปไปวนไปอย่างนั้นก็เวลาคนที่เขาจะเอาขนเท่าของขึ้นเรือลงเรือถ้าเรือมันไม่จอดอยู่นิ่งๆมันก็ขนเท่าของลงเรือไม่ได้ ในเราจะเอาความรู้อะไรเข้าไปในจิตใจของเราถ้าจิตเราไม่นิ่งไม่รับไม่รับความรู้นั้นมันก็ไม่เข้าไปเหมือนกับเวลาที่เทน้ําใส่แก้วถ้าเราคว่ำแก้วไว้แล้เทน้ําเข้าไปหมดควรมันก็ไม่มีน้ําเหลืออยู่ในแก้วแม้แต่หยดเดียวเพราะเราไม่ได้เหยียแก้วขึ้นมารับน้ํานั่นเองดันั้นใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราใจของเราไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้สนใจฟัง ฟังไปเป็นชั่วโมงก็ไม่ได้เกิดปีติอะไรดังนั้นการฟังธรรมก็ต้องต้องฟังด้วยด้วยสติเแต่ว่าผลที่จะได้นี่มันอาจจะเป็นความสงบก็ได้แต่ไม่อาจจะไม่ได้เกิดปัญญาขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในเบื้องต้นเราก็อยากจะฝึกจิตให้เป็นสมาธิก่อนเพราะถ้ามีสมาธิแล้วต่อไปมีได้ปัญญาที่มันจะไปของมันได้ถ้าไม่มีสมาธิแล้ว จปัญญาไงมันก็ไม่เป็นปัญญามันก็จะเป็นสัญญาไปพอถึงเวลาที่จะที่จะเอามาใช้ดับกิเลสก็จะดับไม่ได้ปัญญามันถึงแบ่งไว้สามสามสามแบบด้วยกันจัญญาที่เกิดจากการฟังปัญญาที่เกิดจากการคิดและปัญญาที่เกิจกดญญากจากภาวนาจัญญาสองอันแรกนี้เอาไปดับกิเลสไม่ได้เพ่งวันนี้ฟังว่าอ พวกเราต้องตัดต้องเดยนไปเที่ยวต้องเข้าวัดแต่ถ้ามันยังไม่มีสมาธิมันเข้าวัดไม่ได้หรอกมันฟังได้แต่มันทำไม่ได้แต่ถ้าจิตมีสมาธิแนละ้วเป็นเขาเรียกเป็นภาวนาอะพอฟังอะไรนี่มันจะเอาไปปฏิบัติได้เลยเขาเรียกภาวนาเมญะปัญญามีปัญญาที่จะเป็นปัญญาที่จะสามารถตัดเกื่อนได้ต้องเป็น ภาวนามยปัญญาก็หมายถึงว่าต้องมีสมาธิภาวนาเป็นเป็นเป็นผู้สนับสนุนถ้าไม่มีสมถภาภาวนามันมีแต่วิปัสสนาล้วนๆอัน น, นี้มันจะกลายเป็นความรู้ประดับเฉยๆแต่เอามาทําประโยชน์ไม่ได้บางคนนี้ท่องพระไตรปิฎกได้ทั้งทั้งเล่มเลยแต่เอามาตัดกิเลขอ ง, งตัวเองไม่ได้ ในสมัยพุทธกาลก็เคยมีนิทานเรื่องทัาพโททิรัตคงจะได้ยินท่างก็เป็นผู้ที่ศึกษาพระตไตรปิฎกส่วนรู้ข้องหดทุกอย่างเลยแต่เวลาพระพุทธเจ้าเจอท้าพโททิรัตที่หลก็ทรงตรัสว่ า, าทิรัตเธอเธอเกิดมานี่เสียชาติเกิดเธอก็อยู่ไป ป, ป่าๆกินไป ป, ป่าๆไม่ได้รับประโยชน์อะไรแการอยู่ของเธอเลยหลวงพ่อเจ้าพูดหลายๆครั้ง ข, งข้าท่านก็เลยเกิดความ สำนึกตัวเองยังต้องกัฒนาอีกความรู้ที่ตนเองมีอยู่นี้ไม่เพียงพอเพราะกิริยาอาการของตนนั้นยังไม่ได้เป็นที่สงบสนัดสงบเรียบร้อยยังของของกิเลสออกมาอยู่จึงตัดสินใจไปไปปฏิบัติกับสำนักปฏิบัติท่านก็ไปหาสำนักปฏิบัติที่มีแต่พระอหรหันต์อยู่ทั้งหมดเลยท่านก็ไปก่าพระผู้ใหญ่รงแรกท่านก็ มีภาษาน้อยกว่าท่านก็ปฏิเสธบอกผมสอนท่านไม่ได้หรอกท่านเป็นพระเทระท่านมีปภาษาท่านมีภาษาเยอะกว่าผมก็เลยไปของค์ที่สององค์ที่สองก็ตอบเหมือนกันองค์ที่สามองค์ที่สี่ก็เหมือนกันเดนไปถึงองค์สุดท้ายเป็นสามมณีแต่เป็นพระอรหันต์สัมมณีก็สัมมณีก็จะปฏิเสธเหมือนกันพระโอ๋หน้าท่านก็เลยบอกเนยไม่รับท่านให้สงเคราะห์ทัานหน่อยเลย แล้วเมณก็เลยรับพระเถระดนั้นมาเป็นลูกศิษย์แต่ก่อนที่จะสอนก็ต้องเอามาสุดดูนิสัยใจค อ, อก่อนว่าจะเป็นคนเชื่อฟังหรือไม่หรื อ, อยังเป็นคนมีที่ถือตัวอยู่ว่าเป็นเถระอยู่เพราะเดี๋ยวนี้เมณก็เป็นอาจารย์แั่นนี่งั้นเรื่องพรนธะนี่ถือไม่ได้แนละ้วเพราะระวังอาจารย์กับลูกศิษย์นี่ลูกศิษย์ต้องต้องเชื่อฟังอาจารย์ถ้าไม่เชื่อฟังก็สอนไม่ได้สอนไปแล้วก็ไม่ฟังเราสอนไปทําไม บายเขาเลี้ยวขวาเขาเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะไปเสียเวลาเลยมันไม่เกิดประโยชน์ึย่งไรท้องทดสอบดูว่าจะเชื่อฟังหรือไม่ก็ใช้ต่างๆนาน า, นาให้ร้านกระถนให้ซักทีวอนบางทีก็ให้รุยน้ำลงไปหยิบของในาน้ำพอเดินไปถึงจะหยิบกายจะหยิบของได้แล้วก็เปลี่จนใจก็ไม่เอาละพระเถระท่านก็นิ่งเฉยไม่โกรธไม่อะไร เชื่อฟังครูบาอาจารย์ทุกอย่างแล้วเมื่าเนนเห็นว่าอท่านไม่มีที่ขี่เลือยู่แล้วเนนก็คงสอนท่านตัวยกตัวอย่างว่าอมีจอมตลวกอยู่อันนึ่งในจอมตลวกนี้มันมีทางเข้าออกอยู่หกทางด้วยกันแล้วในจอมตลวกนี้จะมีตัวทิ้งเกยหรือทิ้งกะอะไรเนี้มีจับเยียว ต, ตัวหนึ่งเขาเยกกระปอที่เคยอ่านในอ่านน้นสิ ถ้าเราอยากจะจับไอ้กิณก่าวหรือสัตว์ตัวเนี้ที่มันอยู่ในจอมปลวกนี่เราต้องไปปิดทวาวร5ถาวารแล้วเราให้เหลือ1ถาวรเดียวถ้าเราเป่าอยู่ตรงกระตูนั้นเนี่ยมันออกทางอื่นไม่ได้มันก็เดี๋ยวต้องออกทางนี้ทางเราก็ตะคุบมาเลยแต่ถ้ามันมีทางออก5ทางแล้ว เ, เราอยู่เราอยู่ตรงนี้มันก็ออกทางนี้นได้เราก็จะจับมันไม่ได้มนในนัยกิเลสตัณหาก็แบบเดียวกัน มันมีทางออกอีกถึงหกทางด้วยกันคือออกทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจฉันก็บอกให้ปิดซะห้าทางเสียปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปิดลิ้นปิดกายด้วยการสำลวง๋ยวไปอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสสัตวาทที่ทําให้กิเลสมันเกิดความยินดีที่อยากจะออกไปหาเช่นไปอยู่ตามป่าตามเขาอย่างเงี้ยมันจะไม่มีภาพที่จะดึงกิเลสออกไปไม่มีเสียงที่จะดึงกิเลสออกมาน เท่ากับปิดประตูสร้งห้าไว้นี่มันก็จะเหลืออยู่ประตูเดียวก็คือใจมันก็จะคิดปรุงต่างๆคิดไปก็สร้างความทุกข์ให้กับใจก็พอรู้ปั๊บก็ดับมันได้รู้ปั๊บก็ดับมันได้เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็แพ้เราเองในที่สุดท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตัวนี่คือพาวนาไม่ยับปัญญาปัญญาที่แตกจากการปฏิบัติ ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังหรือคิดเองนี่เป็นเพียงแต่เป็นจิดเริ่มต้นคือเราต้องศึกษาก่อนเราคิดเองไม่เป็นเราไม่รู้เราก็ต้องอาศัยคนอื่นอสอนเราได้ยินได้ฟังหรือถ้าเราคิดเองเมื่อเราคิดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาเงินไปปฏิบัติเช่นพระพุทธเจ้าไม่มีใครสอนท่านได้ท่านก็ต้องคิดของท่านเองเมื่อคิดแล้วว่าเออวิธีนี้ก็เอาไปลองทําดูทําดูแล้วถ้าถูกก็ใช้ได้ถ้าไม่ถูกก็เปลี่ยนใหม่เห็นคิดว่าโอดกดข้าวสัก 49วันมันก็ไม่ถูกกิเลสก็ยังไม่ตายกิเลสก็ยังดิ้นอยู่ในใจก็เลิ่มนั่งถอยกลับมาต้องมานั่ง ท, าาทํภาภาวนาทําสมถะภาวนาก่อนเรียนอนาปนสติทําจิตใจให้สงบเมื่อสงบแล้วก็พิจารณาธรรมธาตุไปเจปนารุ่นวิจารณญาสังขารญญาเข้าไปในจิตโดยกำลังดับอาวิชาได้หมดที่อยู่ภายในจิตจิตมันก็หมดเพราะ นี่เรียกว่าภาวนาไม่ใช่ปัญญาให้ปัญญาด้วยการปฏิบัติงั้นเรียนไปแล้วอย่าเอาอย่าอาไปติดไว้บนบ่าอย่าเอาไปเป็นประกาศนียบัตรได้นักทำตีโทเอ็ดแลแ้วแต่นี้ยังยังไม่พอยังไม่เกิดประโยชน์ถ้าที่ควรเรียนไปแล้วเราต้องเอาไปปฏิบัติทานต้องไปทํามากยิ่งขึ้นมีเงินเหลือมากก็มีเงินเหลือก็เอาไปทํางินทำทานอยเอาไปซื้อข้าวซื้อของของกู้เงิต่างๆแล้วก็ศียการรักษา ไปเรื่อยๆให้มีมากยิ่งขึ้นไปแล้วก็วายท้าสวดมนตย่างทําสมาธิปฏิบัติทำให้มากขึ้นอยู่ที่บ้านก็ทําได้อยู่ไหนก็ทําได้และถ้ามีเวลาก็ไปวัดไปอยู่นางนียก็ได้เทีนี้เราทําได้ถ้าเราวางแผนเราคิดไะ้ล่วลงหน้าก่อนเพราะมันจะทําแบบทันทีทันใดก็คงไม่ได้เพราะเรามีภาระมีความผุกพันอะไรในปัจจุบันนี้อยู่แต่ในอนาคนนี้มันเราสามารถที่จะวางแผนได้ ว่าเราจะลดละภาระต่างๆได้อย่างไรเราก็ลดกันไปแล้วกันไปในเมื่อเราไม่ต้องการเงินมากบางทีงานเราอาจจะลาออกก็ได้าอาจจ ะ, กะเกษียณก่อนเวลาก็ได้ถ้าเราคิดว่างาินที่เราทําสะสมไว้นี่มันพอเพียงแล้วอย่างตอนที่อาจะมาลาออกจากงานก็มีอยู่ประมาณร้อยสามพันก็คิดว่าอยู่ได้ปีนแล้วก็เอาแค่นั้นน่ะขออยู่แค่ปีหนึ่งขอปฏิบัติ ท, าทาํทาเอา่าสมัยนั้นก็เดี๋ยวชา ม, มาสองบ่ายแค่ น, นั้นวันยัง ใช่ไม่เกินสิบบาทอาหารที่เราก็กินแค่มือเดียวกินก๋วยเตี๋ยวชามข้าวผัดจานอนี้นั่นก็อยู่บ้า้แล้วการต้องการของร่างกายให้มันไม่มากเลยเราไปสร้างให้มันมากไปกิเลสตัณหาของเราเองเลยอาหารมื้อละห้าร้อกับอาหารมื้อละสิบห้าสิบมันก็อิ่มเหมือนกันแต่กิเลสมันต้องห้าร้อยมนถึงจะอิ่มใช่ไหมเติมอดติมนี้่ ก็ไปกินที่มีเครื่องปรับอากาศมีบรรยากาศมีอะไรตางนะั่พราะฉะนั้น <c oughs> วันนี้ได้ยินแล้วก็ต้องออกไปคิดนะ <c oughs> คิดแล้วก็เอาไปวางแผนนะเพราะเราต้องพัฒนาเราจะก้าวขึ้นหรือก้าวนี่เราต้อง <c oughs> เราต้องทําจะให้คนอื่นมายกเราขึ้นมาไม่ได้แหละเราต้องยกตัวเราขึ้นไปเองก้าวขึ้นไปการที่เราวันนี้สมควรแก่เวลานะขอจิตตัว การอยากจะเอาทีดีก็ออกไปด้นหมอาจารย์คะื้อเก่าๆพอจะมีเหลือบ้างไหมคะตอพ่อม่อยู่ใคุณแม่อ่านอาจารย์จะเอามาให้ช่วดูหังว่าคุณแม่ไม่ค่อยอ่านแต่อ่านของท่านอาจารย์จบเร่มงหคะ ไม่ได้อ <worship bird> ่านเลยขอบคุณค like, so ัะเดี๋ยวจะสาให้คับ่โยมผี้ชายมาให้นะจันตรงนี้ในแผนซีดีนี่ความจริงถ้ามีเครื่องคว้องก็เข้าไปอ่านได้เหมือนกันนะ ผรู an, ้สึกจะเป็นแผ่นท้ายๆเนี่ยจะมีมีใส่ใส่ไว้แต่แต่แต่หมายถึงว่าถ้าคนอื่นอยากจะหาเมีเครื่องคอมด้วยก็ใส่ตัวเข้าออยู่ห้องนนนะอ่าไม่เป็นไรเข้าใจมีหนังสือมันถะดเดื่องก่อได้ยี่สิบชั่วโจริงๆมีแผ่นริ่มแต่แตนนี้มันจะเริ่มตั้งแต่กาลังใจห้าเสียงเพราะว่าก่อนห้านันอัดเสียงไม่ดีเสียงมันงอ๋อแต่มันลูกอ้มันที่ลูกเอามาไปอัดต่อมันเหมือนกันแต่ ท่านเรียกหนึ่งถึงสี่เลยงงแต่ว่าเมื่อทำเหมือนกันแต่ท่านเรียกอันนี้เป็นห้าใช่ไหมลูกคือมีมีบางการเป็นของการหนึ่งแผงเข้ามาอยู่สองแผท่านนั่นเองแต่ส่วนใหญ่เราจะเป็นเหมือนกันหมดเหมือนกันเริ่มต้นเลยกันที่ห้าไปแต่แต่หนังสือนี่มันมีตั้งแต่เริ่มที่หนึ่ง ก็จะมีแผนท้าที่เป็นรองใจ16กับ17อยู่อีกแผ่นหนึ่งใช่ใช่แผ่นนี้ตอลังเอามารวมกันกับแผ่นที่สี่พอไลรวมที่สีมื่รวมกันแล้วแผ่นที่4นี่จะ16 14 15 16 17อันนี้อันนี้บนข้านอันนี้ท่านท่านแกนชสุเม่ก็มีความ ปลื้มใจมากเลยาให้ลูกมากราบเรเราปลื่มใจที่สุดในชีวิตที่ได้มาอยู่ที่นี่เ ร, นเราต้องมา บ, าบา่อยๆไปได้เพิ่มไปได้ิ่มมากๆขึ้น เ, เขาก็ยังยังไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านอาจารยส์สอนเขาเรื่องคื อ, อตลอดเวลาที่เขามานี่อย่างเขาเขาเรียกว่าเขาเก่งมากเลยเขาสักเขาคงจะเขากลัวผีใหม่เขาอยู่ไม่ได้ตอนนี้เขาก็บอกว่าตอนที่เขามาอยูอ่ที่เนี่ยเขาก็ได้ฝันไปแต่พวกาคงเราให้ท่านอาจารย์ฟังว่าเขาได้เห็น ทีนี้ในในในฝันนั้นนะเนออี่ยคนที่มันปรากฏเนะี่ยเขามาขอส่วนบุญอยู่แต่ว่าออทั้นแต่ก็บอกว่าไม่ให้ไปสนใจใช่ไหคะตอนี้เขาก็บอกว่าเอ๊ะเขาสมควรที่จะจะเข้ากลับไปทำใส่บาทให้นะค ะ, ออะก็ได้คช่ไแต่บริวที่ให้เขาไปก็ได้แต่ว่าเขาบอกว่าคนเนี้ยอยากตามเขาไปถึงที่บ้าน ความจริงมันอยู่ในจิตเขาเองเนี่ยอยู่ในจิตเขาเพียงแต่มาที่นี่แล้วมันมาโผล่ตรงนี้มันเป็นสถานที่ที่ทำให้มันเกิดออกมาได้เลยคนนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แหละมันอยู่ในจิตของเขาจิตได้จำนิดของเขาเพียงแต่อาศัยสถานที่ทําให้มันเกิดโผล่ขึ้นมามถ้าเราไปอยู่ที่เปรี้ยวๆกลัวๆของบางที่ที่มันฝังหรืออยู่ในใจแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาแต่ไม่ใช่หมายความว่าเขามาติดกับเราจริงๆ ก็มันเป็นได้สองอย่างคือมันเป็นถ้าเป็นอุปาทานของเรามันก็มันเกิดขึ้นเพราะเราเคยมีปัญหาหรืเคยมีความผูกพันกับคนคนนี้มาก่อนมันยังฝังลึกอยู่ในใจเราอยู่<ช>หรือว่าเขาเป็นเป็นสัมภเวสีมาขอส่วนบุญซึ่งส่วนใหญ่มันจะมาจากอุปาทานมากกว่าเนี่ <S <S ยคนส่วนใหญ่ที่กลัวกลัวสัมภเวสีที่ติดตัวไป คุณมไม่มีติดตัวไปหรอกไไม่ได้หรอกเคยมีเหมือนกันเลยถ้าเคยอะไรหรอสามมิตรสีตามเราไปไม่ได้หรอกตามได้นี่ค่ะไม่ได้ไม่ได้หรือไม่เกาะเราไปไม่ได้มันดูรายการบอกเขานั่งรถไปด้วยเวลาเราไปเขาก็เขียนไปตามตามจินตนาการของเขาเขาก็เคยนึกยกเว้นว่าสํามมิตรสีรูปนั้นก็มีมีความผูกพันกันเราเช่นในสมัยพุทธการที่มาปรากฏให้กับเจ้าชายอะไรนั้นก็เพราะว่าเป็นเคยเป็นามต หรือเป็นลูกน้องเก่า<ม>เคยเป็นญาติสนิทมิตรหาย<ม>เป็นเพื่อนเป็นอะไรกันเพ<ม>ราะก็เลยมามเขาเป็นเหมือนคนออกจากคุกเป็นขอทานไม่มีที่พึง<ม><ม>่งองค์สามพระเวสสีนี้เป็นหนึ่งพวกขอทานถามบุญก็เลยต้องมาหาคนที่รู้จักให้เขาช่วยทําบุญให้อะไรเองหรือเราจะแยกได้ไงว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเราไม่ยากไม่เป็นก็ทําบุญกวนน้ำไปให้ถังกันละกันอ<ม>ืมเพื่อความสบายใจของเรา พอเราทําแล้วมันก็หายไปมันก็อาจจะเป็นเป็นอยู่ในใจของเราแต่เมื่อทําแล้วมันก็ทําให้ใจของเราสงบลง่อมันก็ไม่กลับมาเยือนเราอีกแต่วันยิ่งมาก็เห็นเป็นไรมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมัดาทุกอย่างแล้วพระเจ้าบอกว่าก็ต้องอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนี่เรากําลังเกิดครียกตันวิพาวตัญหาเป็นความลังเกี ก็เกิดเ็นความทุกข์ขึ้นมาใช่ไหมถ้าเรายอมรับเขาต้อนรับเขาเหมือนเป็นเพื่อนอาจจะอาจจะเป็นแฟนเรามื่ก่อนนี้สิก็ได้ไม่วแฟนมาเยี่ยมจะไปอะไรก็พอควรจะอยู่นานนะครับยอมใจเมื่อก่อนนี้ก็อยากจะให้เขาอยู่นานๆตอนนี้ไม่มีรูปเราก็ไม่อยากให้อยู่ด้วยแล้ว เดี๋ยวหยุดกลางก็แล้วแต่มครอยากไลูกขอถวายก่ะนนี่ให้พ่อพีลียดีร์แทนผู้หญิงุณหญิงก็เป็นแม่คืัญแต่ถ้าแต่สภาพของผู้หญิงที่ต้องอยู่กับป่าอยู่กับการปฏิบัติมันมันมันเสียงภัยกับผู้ชายเีก็เลยต้องมีมีเรื่องไข บางส่วที่ตันี้ต้องอยู่กับพระาะ่จะอยู่โดเดียวตามทำงไม่ได้ต้องต้องต้องรับต้องรับถึงจากพระสิ่งเดินเน้อเรา ร, รับรรรรารปติน้ยก็เลยเลสอตอนของพระแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้ทุกุนี้เป็นอย่างเป็นต่อไม่ให้ทุกิ่งเป็นอย่างของทก่าจะให้ทุกสุเป็นเครองปกคในสมัยอดีตนั้น ผู er Não, ้ชายจะมีความแข็งแรงกว่าท like like ี so ่หญ่เหมนสมัยนี้สมัยนี้ประาที่จะดึงกัได้พะเดี๋ยวนี้สมัยนี้มีเครื่องขันแรงใช้สมองเป็นหลักนแต่สมัยก่อนมันใช้กาลังเป็นหลักต่อูในสมัก็ต้องถือวาต้องไปลบาภาตกันด้วยแรงคือเป็นที่ดีนนั้นบรรลุทาแล้วเป็นอารัแล้วเป็นกก็แต่แม่ัก็ยังต้อง รู้ะว่าภาคที่สูตั้งแต่บวชแต่ธรรมนเนีมนี่ไม่ต้องนะแต่ภาคที่สูงตั้แต่เพราะว่ายิ่งบรรลุสูงเท่าไหร่ใจยิ่งต่ำเ่ยนใจนนยิ่งสูงนะใจจะกรทำ่าเป็นสึงที่พระเจ้าทรงดำหลักทรงตัสไ้ก็เป็นธรมนะ เ, เพราะงั้นผู้ที่แบบโลกแต่ละหลานนจะไม่รู้สึกมีความ ผิดหนาและอาจัยือการเปลี่ยนเดชในสิ่งที่เจ้าเป็นของักปฏิก็การปฏิบัติทริงเพื่อลดละตัวตนยงยิ่งปฏิบัติทางตัวนี้หนาหลายตัวตนยิ่งน้อยลงแต่ลัอย่างความถือตัวถือตัวถือว่าเป็นผู้พิเศษผู้ยิ่งใหญ่นี่มันก็หาไปจะไม่มีเหลืออยู่ในตัวเี้แล้วความถือตัวนี่เราจะไม่เห้นขงความก็ได้ ปฏิบัติไม่ถูกใจเราหน่อยเพราะเราเป็นอย่างนี้เราเป็นถึงผู้จัดการก็ามาทําเราเหมือนกับเป็นคนละคนเช็ดกวาดถูเนาะพวกนี้เราก็จะรู้สึกไม่พอใจแต่ถ้าเราเจอเฉยๆเหมือนเรื่องของเขาเขาตาเขาเป็นอย่างนั้นเขามองเราได้เขาไม่มีปัญญามองเราว่าเราเป็นผู้จัดการล้วเพื่อนม่ได้ กขาจะมองว่าเราเป็นเด็กเป็นเด็กรับใช้ก็ไม่เป็นไรนั่นเป็นเรื่องความเห็นของเขาเรื่องสายตาของเขาแต่เราก็รู้อยู่ในใจของเราว่าเราเป็นอะไรแต่ความความเป็นอะไรของเรานี่ไม่ได้หมายความว่าจะทำเราจะต้องไปให้คนอื่นเเห็นตาตาความจริงเราต้องเป็นของเราอยู่นั่นแหละ ยี่งปฏิบัติข้ามากเท่าหรความอิ่นความพอง ม, มันมีมันไม่เิ็ว่าที่อยากจะให้คนนั้นทำอย่างนี้กับเราอย่างนี้อย่างนั้นกับเราก็ความผิวมันมีมากเหมืนกันนะถ้าปฏิบัติไปแล้วมันไม่มีความผิวความยาทำอะไรทางนั้นอย่าได้ข่าวอย่างถึงนาแก้ท่านก็จิกใจท่านก็สูงนะแต่เวลามีพระไปไปหาท่านเป็นพระบวชหมายอะไรท่านก็อย่างนี้สาบว่าพระหรื มันก็ถือวมันเป็นสมมุติไงเราต้องรู้เราต้องแยกว่าโลกนี้มันมีทั้งสมมติทั้มีพิมพ์พิมตินี้ก็อย่างสมมุตัอย่างอย่างหลวงตาท่านเคยเขียนไว้ในประวัติของปูมั่นหลวงปู่มั่นท่านตอบปัญหาถึงบดาว่าเกี่ยวเวลาที่พระอารหันต์ท่านมาประทุมกันเนี่ยท่านนั่งอย่างไหท่านก็แสดงเป็นสองนายด้วยกัน พ้าเป็นแบบวิมุติคือไม่ได้ถือว่าใครสูงใครต่าำกันใครมาก่อนก็นั่งก่อนนั่งตรงไหนก็ได้นั่งไปตามอทยาศัยแล้วก็แสดงแบบสมมุติก็นั่งไปตามมาันแบบพรรษาถึงแม้จะเป็นพระอาหารแต่ถ้าพระรูปถึงอาวุโสกว่าเราท่านยังไม่เป็นพระอาหารก็ไม่กระหน่ำหนากระหน่ำต่อพนั่งตามเดินบินสบายก็ให้พระที่มีมีพรรษาสูงการาเดินนำไป แม่ตนเองจะเป็นผ้าหลังกรตาคนที่เดินนำหน้าไม่ได้เป็นผ้าหลังก็ไม่มีตัวสานอะไรเพราะเราต้องแยกแยะระหว่างสมมติและม่สติไม่สมมติเ น, นี่ยมันเรื่องอยู่ในใจเราล้วนๆไม่มีใครเขารู้หรอกเ่าจะเป็นอะไรไม่มีใครใครู้แต่เขารู้ว่าเราบวชมากี่พรรษาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติท า, างตายทางใจเสมหมือนลูกกับแม่ลูกกับพ่อแม่รวมลูกบางคนก็เป็นอภิชาติ มีจิตใจที่สูงต่อพ่อกับแม่ของพระเจ้าอย่าง น, านี้แต่ไหมแต่โลกก็ยังเคารพพ่อกับแม่ยังไม่ถือว่าตนเองฉลาดกว่าเกินไปการเคารพในพ่อในแม่ในผู้หลักผู้ใหญ่กกต้องมีความรู้ความฉลาดความสามารถมีมากกว่าพ่อกับแม่อันนั้นก็ยากไว้ เ, เรื่องของเรื่องขอเขาเล่าลอนั่คือทำไมนี่มันน้องตัวเองเพราตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็มองพ่อแม่เป็นคนไม่มี ความหมายในความตายมันมีแต่เป็นเพราะความหลงแต่คนที่มีปัญญาอย่างในหลวงนี่ท่างก็ยังเวลาถ้าอยู่ส่วนพระองค์กับสมเด็จย่า ก, ก็ยังไหวเงาตาสมเด็จยา่าอยูถือว่าเป็นคุณแม่อย่ในเวลาที่ออกงานนี้ท่านก็ต้องนั่งบันลังแต่สมเด็จย่า ก, ก็ต้องอยู่ข้างล่างอยี้ถึงต้องนี่เป็นการแยกแยะระหวางส ม, มุท ต, ตุยมด ตรงนมันก็มีหลายหลายหลายระดับด้วยกันแล้วออกงานก็แบบหนึ่งเราอยู่กับบ้านก็บบหนึ่งก็ต้องให้ว่าไปให้มันติดตามการลเทศกตามกฎทำเงินประเภทนี้ได้ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้เขเล่นละครนะละครเรื่องนี้เขาให้เราเป็นพระเอกแต่เรื่องหน้าเขาให้เราไปเป็นผู้ร้าย เราก็ต้องเล่นไปตามบทที่เขาให้เราเล่นไปมนไ ม, มันก็เป็นละครอยนึ่งถ้าเราไม่ยึดไปติดกับบทแล้วมันก็ไม่ไม่มีปัาอะไรเล่นได้ทุกทุ ก, กยุคแหละให้เล่นเป็นคนเป็นขอทานก็ได้เป็นคนรับใช้ก็ได้เป็นมหาเศรษฐีก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะไปเล่นเรื่องอะไรแล้วเขาจ่ายเงินให้เราด้วยปากแต่ถาจ่ายเงินแล้ก็มีเราเป็นเหมือนลูกจ้างนะลจ้างให้เราทาเวลาเราก็ทาไป นี่ความหมาไม่ยึดไม่ติดแต่รู้รู้ว่าอะไรสูงอะไรต่งอะไรดีอะไรช่วแต่บางทีมันอยู่ในเหตุการณ์ที่จนมป็นจะต้องทำตามท่านการต่อไ่ทันไปไม่ได้จะคิดโอ้ยแข ง, งวิเศษวิโสเขาคน <ๆ S 2> นั้นคน น, คนี้จะต้องปฏิบัติการเราอย่างนี้เนี่ยเขาไม่รู้จากเราเนี่ยถ้าจะมาปฏิบัติได้ บางคนก็ปฏิบัติกับเราไม่ดีเขไม่รู้แต่พอเขามารูขึ não não jas, então, iente, ้นหลังเขาต้องมาขอขอขอโทษขอขอถายเขาบอกเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครก็มีแต่เราก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเคื้งก็แต่เริ่มแรง้เพรเรารู้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องของโลกเป็นอย่างนี้แหละเึ่แต่เราเสียนายังมีอยู่ด้วยกันตลอดทุกคนทุกคเราต้องพร้อมรับกับทุกภาพ โดนเขาเหยียดหยาก็ได้ดนเารก็ได้ไไหนเาต้อนรับอย่างดีก็ได้นม่กี้เาก็ให้ไม่ยแสให้เราทําองย่างได้ก็ลกเมื่อเราไม่ได้ไปหวังอะไรจากมันไม่ม้องเป็นไงตอนนะีจะให้พรนะ ยะาวาลิกวาหาภราปิภูเรติสักหลังเปโเมวะอิโตสินัเปตานังอุปกาติปิจิตัปิจิตตุมหางกิดเมื่อวะสุจตุักยนุสังกปาจันโทปณะระโสยถาเนรโทติยะโสละละโสยาสัพติโยวิวัชฌุ สัพรโควินตมาเตปวัตตะาลายสุขีคือชาวาธีลาจจานาตจรธาวันติาวันสุขสัุิาะ พิธานเรื่องพระโพธิลัคนี่เป็นเรื่องเดียวที่หลวงตาท่านแสดงไว้ครั้งแรกที่เราเคยฟังที่เราจะอยู่นี่ือวาฟังแล้วมันกใจรับท่านจะแสดงผลเดียวไหมไม่เคยได้ยินท่านแสดงเคยได้ยินในด้านกลาวในร้านกลาว S <S ก็ขอให้เราแนวแน่มันคงกับทางษษานั้นทางนี้ปเพุทธาสาป็นอย่างนี้พยาามปฏิบัติไปเนยเป็นโอกาสปฏิบัิที่ถือได้ที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามาเป็นเดรัจฉานก็ปฏิบัติไม่ได้เป็นนกเป็นการาอย่างมากก็เป็นการอยู่ไว้สากินไปรื่อยๆเท่า น, นั้นเองี่เราไม่ได้เป็นนกเป็นกาเรเป็นมนุษย์เรานมีสติปัญญาคยทจะมารถค้นทราบความรู้ของทาง ส, าสมอได้เมื่อได้ยินได้ฟังล้าก็ขอให้นํานปฏิบัติ ที่แล้วทีั้งแล้วะที่อยาเป็นแม่แม่อ่กก็เขาไปในวเดิมว่าเพราะเขาก็บอกว่าพตอนนี้จะคุณแม่ทางานก็ไม่ค่อยดีสนใจเขาเลที่เ้าก็โตแล้วตอนนี้คุณแม่ได้ทงานแล้วนะคะเขามาคอยเข้าหลักฐานก็เลยพยายามที่จะ ตาที่ท่านอาจารย์แนะนำคือทำที่ตัวเราเองมยาปล่อยวางไม่เลลมาเขาไม่เปลี่ยนแต่เราเปลี่ยนเราอาจะปรับบทบาทท่านหน่อยลดงบางีให้ยามากเกินไปมันก็มันก็ไม่อยายี่ยมมันแพ้ยานด้คุณหมอก็าต้องจให้ยาขนาดบางทีเขาเาก็โตแล้วทีเขาซ้ำซากมันก็คา เราเป็นห่วงให้แนสะาวของเราเป็นห่วงแลอยากจะให้เราเป็นหน่วงไงแต่เราไม่พยาในตัวเราองทำมันไม่อยากถ้าพยายามอย่างนี้ผมผู้หน่อยากในตัวเราว่าอยากให้เราดี อ, อยากให้เร <c oughs> าพอเงินเยอะๆตัวใหญ่ไมด้รอกผู้หไม่ได้หรอกคือแต่ความคิดแต่ถ้าอยากในตัวเราแล้วเราทำทำได้ล้วได้เยได้ได จะทำมากจะช่วยได้เย็น่วงที่มาฟังทางมา็นมาเนี่ยเขาเข้าใจันว่าปล่อยวางาเองได้ได้มากเพื่อจะต้องสักษของต่างชาตมากคือปล่อยวางไม่เลยนะปล่อย้ื่ม่ยังไงก็ดูรลรักษายรื่องดูลงไปขอรับได้มากนะเท่าไหร่ก็ให้ขอทานั้นเวลาเหมือนภาชนะมันก็มีช่วยเล็กใส่ก็เยอะๆมันก็ล้มแล้วพอมีช่วยใหญ่ก็มันก็รับไปเยอะ เนีาต้องมีงมเป็นผัสกันการเรียนผอาจารย์ไม่ทราบวบางคนเป็นหรือเปล่าค่ะแต่เพื่อนบางคนก็นเป็นแบบบางวันที่เราฝึกที่มาเรารู้สึกวันนี้มีความสุขอะไรเงี้ยบางวันเรามีความรู้สึกเศร้าๆหรือเหียวไร้ที่พึ็เป็ น, ปนข้อแต่อนี้ร้อนไม่มีอะไรแกต่างตก็เป็นอนิจจ์อารมณ์ของจิตก็เป็นอนิจจถ้าปฏิบัติข้าเราท่านเรียาธรรดก็จะเข้าสูสิตตาไม่ตักันาไม่ตัดกันัว่าอารมณ์ของเรา ที่มันเปลี่ยนแปล เ, เรียๆกามรักการเหตุการณ์ต่างๆบางวันมันไม่มีเรื่องยาวี่มีอะไร้เนือมือวันนี้เป็นทุกอย่างทา ง, งานนี่ถือเป็นสำเร็จเรื่อยๆเป็นเหมอนดีกันอยนขึ้นมาก็สดชื่นแบบมาบางวันทำ ง, งานแล้วงานเงคะคาผู้อยู่ในจิตในใจพอเป่นขึ้นมามันก็อาจจะทาให้เกิดมีความมงหิใจนั้ น, ม, ม, นมันอารมณ์นู่มันก็มีอมยอู่ทั้งหมดหอาจมีทั้งพนอ คืเรื่องราวต่างๆที่เราสืบท่องเรื่องเหตุภนั้นก็คือใจของเราอาจจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อยากได้เรื่องนี้อยากได้เรื่องนี้อยากจะอะไรนี้ก็ทำให้มมีอารางๆขึ้นมาวกันแต่ถ้าเราเริ่มภาวนาแล้วทาจิตให้สงบมากๆแล้วใจมจะว่าแล้วอารมณ์ต่างๆมันจะน้อยลงกา เ, เกิดแก่ของอารมณ์มันจะน้อยลงน้อยลงเรื่อยเพราะเราสามารถทําอารมณ์ให้มันว่างได้ การภาวนาก็เป็นการการลบล้างอารมณ์น่าบางส่วนมัก็เรียกาเป็นวิบากก็ได้คือเป็นกงที่มันติดเป็นสายตามนอยู่ในจุดใกใจแล้วพอมันรอนมาเวลามีอะไรไปกระตุ้นไปสะกมันนะับผมขึ้นมาได้แลวิธีปฏิบัติก็คือเหมือนกับเราปฏิบัติกายกับเวทนาก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเดี๋ยวมันก็ต้องสิ้นไปมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ปลดเราเพียแต่รู้แล้วเราก็รู้ว่าเรานาี้เราไม่ดี ก็ไม่เปนมีหน้าที่อะไรล้วก็ทํอะไรตามไเพราลมมันก็เหมือนเมฆกับหมขึทนมันไหมามาปิดยงการดูอาทิตย์นี่เหนือทั้งคู่มันก็เหมือนสลังมันก็พัออกลมก็พัดไปมันก็สว่างกันมันกแดดอารมณ์ของเราก็อย่างนี้ยวันวันก็สดใสวังวันก็ซึมเศร้าก็ให้รู้ทันทีรู้ทันแล้วอย่าไปอย่าไปซึมเศร้าตามมันอย่าไปสดใสตามมันให้สัตแต่ว่ารู้ ถเรียยากที่สุดก็คือการทาใจให้เราจักแต่ว่ารู้ว่าใจเราชอบมีปฏิกิริยากับทุกสิ่งทุกอย่างาอะไรดีก็ดีดีใจนนึงแต่ะอะไรไม่ดีก็เศร้าโกเสียจท่งไม่ดีทั้งสองอย่างตัรู้เฉยๆว่าอันนี้อะไรเป็นอย่างนี้หรือว่าอันนี้อะเป็นอย่างนี้หรือว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าไม่ยึดไม่จิดทํามก็ไม่จิกไม่พายามไงเป็นเหมือนอาคารตึกาเยี่มเยี่ยมไปเร แต่บางทีเราไปคิเื่องวันนี้เราไม่ดูตัวเราไม่ดีคิดไปรื่อง่ก็คือตอนที่ไม่สบายสมมติเราไม่สบายใช่ไหแล้วพอเราเปหาหมอตัวจแล้แต่แล้ ว, วลช่วงที่เราไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรช่วงนั้นเป็นช่วงที่นรามาน่ า, าที่เราคิดว่าเอ๊เราจะเป็นอะไรไม่น้อยอะไ้คิดไปพัเราขาด<ไ>ปัญญา<ค>ร เ, เราขาดปัญญาขาดัญญาแล้วมันไม่ไปละ มันมันงก็ต้องตายอยู่ดีอ่าเร่อกลัวตายนี่าดานะถ้าถ้าไม่ขดถ้ามีปัญญาไม่กลัวหรอกเพราะมันมันมันงก็ต้องตาย อ, ยอ่ามันกลัวตายเอถ้ า, าเราตายไปแล้วคนนี้จะอยู่ยังไงใช่จะไปัไวากลัว <ขอ S 2> ก็คือวิภา ว, วานารนตงเหตการตายตายคนหน่เาก็อยู่ได้มันกลัวหรอก คนที่เขาตายไปคนหนึ่งที่เขาอยู่ที่นัังเขาก็อยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้เขาก็ตายตามัปตอนนี้เราตายแล้วกลัวเราทรมานใช่ไหมสมาธิู่แล้วจะรู้ว่ามันก็แบบที่เรานั่งแล้วถ้าเราทําใจได้เราไม่ทรมานมันเจ็บแต่ไม่ทรมานเพราใจนี่ที่มันทรมานเพราใจมันพยายามที่หมีความเจ็บมาทำมันหนี้ไม่ได้ก็เจ็บปวดด้วยความกลัวนี้ก็เป็นเรียกวิภากษ์วิจนรณ์ เป็นเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเจ็บแต่ถ้าเราถุนนั่งสมาธิแล้ว เ, เวลามีความเจ็บก็ก็ทําใจเฉยเฉยถ้าถึงจุดหนึง่งแล้วมัก็ไม่รู้สึกเลยรู้แต่มันจะไม่มีความเจ็บมันจะเป็นอุปถัมภ์ <c oughs> มันรู้สึกแต่มันเฉยเฉยมันไม่เดือดร้อนสำนับได้เพราะความเจ็บทางใจทางกายนี่มันนิดเดียวถ้าเปียบเทียบกับความเจ็บทางทกายมันไม่ทุรนทุรายถ้าไม่ทุรนทุราแล้วความเจ็บทางกายมันเฉยเฉ มนก็เขีย น, นเขียฉีดยาอะไรแต่เวลาคนตัวความฉีดยานี่มันเจ็บมากยังไม่ทันฉีดในหมอบอกว่เาเดีต้องฉีดยานะทางใจมันก็โหวปวดไปและทรมาร์ดนี่คือความความเจ็บทางใจนี่ส่วนใหญ่แทบว่าเก้าสิบเปเซ็นความเจ็บทางการนี่จะเจ็บรุรนแรขนาดไหนแค่แค่สิบเปอร์เซ็นต์ถาเราจะทำไงที่จ ะ, ะระงับความเจ็บทางใจให้ได้ก็ต้องใช้ ก, กัญชาเพราะว่า ทำความเข้าใจว่เราหนีมนไม่พ้นหรอกเพระวต้องเจล้้มันมีกว่าคือมันแล้วมันใจพร้อมใจมีสู้แล้วมันไม่มันไม่มันไม่กลวแล้วมันก็ไม่มันก็ไเจ็บนี่เราก็ตมันฝึกซ้อมแต่ไว้ไครไดปัญญาดนั้น้อที่ถ้ามันอยู่นี่ก็มาอยู่กับคนอดอดยากยาความยากลำบากก็เพื่อที่จะให้มันชินกับความทุกข์องความทุกทางกายคนเดิมจงกรมนเป็น ร่างสา ม, มิเรียบทไม่นานเนี่ยนันเป็นการฝึกให้สู้กับความทุกข์ทางด้าร่างการสามมื้อเดียวเนี่ยแทนทะี่จะสามสามมื้อไม่อดอาหารที่จะสามวันห้าวันเนี่เป็นการสร้างความทุกข์ทางกายให้เกิดขึ้นจะได้ซ้อมรับอยู่ได้หมือนกับทหารเนี่ยเขจะไปฝึกนั่งอยู่ในห้องแอร์มันไม่มีทางสู้ต่อสู้กับศัตรูได้อาหารต้องออกไปลุยป่าเนี่ยไปฝึกอยู่ในป่านอนกระดิ่งกินกระชาย เพราะว่าเราเกิดสงครามมันต้องเจอกันในป่าในเขามันไม่ได้ไปเจอกันในห้องเองนะคือตอนตายนี่ก็คือสงครามที่จะเกิดขึ้นเอก็แต่ขณะที่เราต้องฝึกซ้อมแล้วเตรียมที่รับสงครามตอนตายแล้วมันจะไม่กลัวเพราะว่าเรารู้ว่าเราตานความเจ็บปวดไปได้แล้วนั่งเป็นน้ำนี่งไม่ดีความเจ็บมันก็หายไปของมันเองใจของเราปล่อยวางไม่ไม่ไปกังวลไม่ไปอยากอะไรกับมันเดี๋ยวมันใจสงบนี่แค่ความเจ็บที่มันปวดนั้มันคือก็หายไปเอ หรือถ้ามันไม่หายมันก็ไม่มารบกวนใจะต่างฝ่ายต่ายใจก็รู้เขาก็เป็นของเขาเองการปฏิบัติพิจารณาทุกเวทนามันจะเกิดผลได้สองลักษณะเวลาจิตมันปล่อยวางเต็มที่ถ้ามันรวมลงเข้าสู่อัตมานมันจะไม่รับรู้ความรู้สึกของร่างกายร่างกายจะนึกหายไปเลยจิตก็ว่างสงบมันก็ไม่มีอะไรกิดขึ้นหรือว่ามันสงบแบบที่มันไม่ฝังขันมันยังรับรู้ขันอยู่เวทนาก็ยังมีอยู่ แต่ใจไม่ใจไม่ไม่กังวลกังวลไม่ไม่ไม่กริย์กษะส่าไม่คลานานอันนี้มันต้องมันต้องปฏิบัติไปถ้าหาอุบายพิจารณาท่งเหตุ่ามันเป็นเป็นที่เราไปไปบังคับมันไม่ได้ไม่ทั้งยอมรับรอบให้มันเป็นไปเราอย่าไปรังเกียจมันต้นเหตุของความทุกใจคือความรังเกียจความตัวความไม่ชอบกับที่ตัวทำถ้าเราบอกว่าเออเราหัดชอบมันมาก ที่เราก็ไม่เคยไม่เคยชอบอาหารชนิดนี้ลองเคกินไหมครับครับกินไปนานๆดีไม่ดีมันก็ชอบได้ความเคยชินจะทําให้เราชอบได้ถ้าที่ไทยเราเห็นอาหารที่เราไม่เคยกินมาก่อนในเกิดความล้ำเกียอน่ะที่เราไปอยู่เมืองนอกเนี่ยเราไปอยู่ประเทศอื่นแล้วก็มีอาหารที่เราไม่เคยกินมาก่อนถ้าเราเลือกได้เราคงไม่อยากจะกินอาหารเราเราเกลือไปอยู่เมืองนอกที่คนไทยจะทําอาหารไทยที่ชนิดนีเลยไม่ยอมกินอาหารของราแต่ถ้าเรายอม อย่างอาตมาที่เก็ทําอาหารก็กินอาหารหรั่งไปมันจะรสชาตไม่มีอะไรก็จิ้มใส่เกลิ้มไปตอที่อยู่กับฝรั่งหลั่งทำอาหารก็จิ้มกเขาไปต่อไปนันก็ชิมมัก็อร่อยก็กินได้พอกรับมาอยู่เมืองไทยก็ยังต้องไปหาอาหารฝรั่งคอไม่ชอบฝรั่งที่ไม่ชอบแต่ที่มันชอบนะไอ้ท่านั้นส่วหนึ่งกันเราไม่ชอบไอ้ทางเจ็บแต่ลหัดชอบมันแค่ต่อไปมันก็จะ เวลาอานารไม่เจ็บล้วรู้สึกก่ถักไมไดคนกินเนี้อาหารตวก็กินพิเนี่ยิให้กินเนี่ยมันมันไม่เจมันก็รู้สึกว่าไม่อร่อยแต่คนที่ไม่เคยกินพิกนี่แ้แต่งมิติกเป็นม็ดเดียวเนี่โอ้โหทรมานเพราะมันผมันกินไม่ได้แต่ถ้าเอาฝึกผัดกินไปร่อฝึกกินไเรื่อยๆกับพิกต่อไปมันก็มันก็มันก็ติดนิสัยขึ้นมาเลยพอใจมันยอมรับได้แล้วก็ไม่ทุกแล้ว ฉันพยายามพยายามหัดชอบความทุกข์บ้างความทุกข์ความยากความลำบากถึงแม้ต้องหัดหัดกินอาหารหัดถือถุงแตกหรือะไรเนี่ยไม่ต้องไม่กลัวไม่ตายไม่าา <c oughs> ตายพระเจ้าทั้งสีุ่กข้าววันเรามีพลังงานสะตัวยู่ในร่างกายเรายรเยอะพอที่จะอยู่ได้นั่นบารแต่น้ำขาดไม่ได้น้ำต้องมีอากาศต้องมีแต่อาหาร พวกอาหารพวกข้ า, าวา 5, 000, 7, 000, หวกอวันอ น, อ น, อ น, อนี้มีวันเจ็บมันนี่เี่ยเรื่องนีาาา่านะวัอาจารย์เร่องการเรียใช้สดงรยสีนะ่นะาจะเรียนหาอะไรคืจบชั้ น, นมัธยมที่นีแล้วก็ไปข้าวาหารข้าง น, นั้นก็ไปเรยนก็อาจารย์เรียนช่งพิวาสิศาสแต่พิเศเรียนหน้าปีเพราะว่าเราทางานไปด้วยเะไรไม่ได้ไม่ได้เรียนเต็มเต็มหลักส คือเข้าเรียนจบคือะไรเียก็ท่านทานาารเขาเรียนที่เจ็ดเดย์เป็นสามสิบใช่าสามสิบตลอดตลอดงลยไม่้องไปเรียนเรียนแต่ว่าเราต้องไปเรียนวิชาบางวิชาที่เราเรียนไม่ค่อยดีตอนที่ช่วงไปช่งทยๆตีเรียนนิหนอชอบมีนักเรียนชอมีนเรียนลองวิชาไม่ไม่ค่อยแข็งเอไปเข้าไปทดสอบดูคุณของเราทั้งห้องเรียนวิชาตี่มีหมด ก็เลมีเงนก็เสียเวลานี้น่งแต่ก็ไม่ไม่มีน้อยนะเราถือว่ามันจบช้าจบเดิวมันก็จบเหมือนกันแล้วการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติช้าจบบรรลุช้านุษย์เร็วมันก็บรรลุเหมือนกันพอบรรลุแล้วมันก็เหมือนกันพอกินข้าวอิ่มช้าอิ่มเร็วมันก็อิ่มมันก็อิ่มเท่ากันพอให้กินเท่านั้นเนี่ะพอให้ปฏิบัติเท่านั้นเน่ยพอให้เรียนเท่านั้นน่ยซึ่งจะช้าจะเร็วมันก็ถึ้มันก็ขึ้นที่บุญว่าสัญญาของเราบางคนมีกิเลสนะสัญญา ท่านมีกเลสมาปัญญาแล้วก็มีนเทนก็เร็วแต่ขอเราทาไปเถิดช้าก็ไม่เป็นไรช้าก็ไม่เป็นไรขี่กรยานไปมันก็ช้าหน่อยถ้าน้งวดเก่งมันก็เร็วหน่อยจักรยานมันช้าหน่อยแต่ลูกก็ถึงเป้า ชอบแล้วเก่งแล้วจากรยานเลยมันแล้วแต่ภูมิของเราเงแล้วแต่ภูมิวัฒนาที่เราจะทำเพราะว่าแข่งบุนแข่งวาสนาอ่แข่งว่าแข่งเรือแข่งได้นะแต่แข่งบุนแข่งวัฒนาเนี่ยแข่งไม่ได้ห่อกแต่ใจอาจารย์อยู่ในรอบเป็นหลายปีนะฮะก็เลยท่านคือฟื้นเพลงของจิ๋มันมันมันชอบความทรงจอย่างนี้ไม่ใส่มันไม่เคยลงไหลกับไอ้แสงสีสีนี่แหล แต่ที่เป็นียนก็เพราะว่าตอนผมคิดเองเมื่อจบแล้วยังยังไม่รู้จะทําะไ <ๆ S 1> รเส้นๆก็เลยไปเรียนต่อแล้วก็ไปเรียนต่อแต่พอเราจบแล้วทีนี้มันเริ่มเริ่มคิดละจะเอาอะไรนะไม่ติดหางานเท่าไหร่พราะมันบอกว่าคำงานนี้สามสิบปีแล้วก็แก่ตายมไม่ต้งองทำอีกแล้วแก่ใจทําต่อหาอะไรที่มันดีกว่านี้มีคนบอกว่าท่าน ทุกคนก็มีถึงไมาเกิดเปนมนแต่เราจะมันได้ไม่ใช้นได้ต้องบุญมีแต่กรรมบังคนเรามันมีบุญมีแต่กรรมบังคนเรามีบุญเท่าเทกันเนี่ยแต่มีกรรมบังไว้มากราก็อ่นไมเบุญน้อยก็มชาติการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ต้องถือว่ามีบุญมากนะได้มาเจอวัตถุกษัติสนานี้เือาถึงสุดของบุญที่เราได้สะสอยู่ เน่ยเราจะใช้มาให้เกิเเประโยชน์มากน้อยข่าดนีน้เมนะื่อเราได้เงนินมาแล้วเราจะไปใช้ <c oughs> เราจะไปลงทุนทําให้มันโงอกเงยขึ้นมาแล้ว เ, เราจะไปเล่นไพยเล่นการํางานกินเที่ยวเต็มอย่างก็หมด <c oughs> ชีวิตของเราจะเป็น <c oughs> ถ้าเราจะมาอยู่เพื่อเสกการอยเดียวเนี่ยมันเหลือบุญเก่าที่เราทำมา ก, มก็หมดถ้าเราจะอามาสะสมเพื่อเอาบุญที่เราได้มาเนี่ยมาทำบุญเพิ่มนั่สมาธิมาสังเทศสําธรรมเรา อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการทำบุญเพื่อทำกรณีในโยหรือเกิดที่เพื่อนเพื่อนเขบอกว่าถ้าเขาทำบุญเนี่ยเขาไม่ทำมากเท่าไหร่นะคะแต่เขาเขาไม่ทำบาปแล้วเกาไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยสิงเท่ากับเขาเสนอตัวหรือว่าเขาได้บุญการทำบุญนี่เป็นการเพิ่มทรัพเพื่อนิสงของการให้ทานนี่มันไม่ได้ทําให้เราไปเกิดเป็นมนุษย์ พราะการจะเป็นเกิดมนุษย์เกิดเกิดในสุกติได้นี้ต้องมีศีลเป็นหลักแต่ฐานนี้เมื่อทำไปแล้วจะทําให้เราเราเกิดไม่ว่าจะอยู่ในครบในภูนมิใดจะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามจะมีทรัพย์สมบัตินอนอยู่ถึงว่าเราไปเกิดเป็นหมาเงี้ยเราก็เป็นหมาที่สวยงา <c oughs> มคุณเจ้าคุณเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่ต้องเรียนแต่ไ <c oughs> ม่เอาไปเกิดเป็นหมาที่ <c oughs> เลื่อนมาปล่อยที่วัด่ย ที่พวกที่ไม่ได้ทำทำบุญเนี่ยมันจะมาเป็นหมายชื่นเรียนอะไรอยนีไไ้แต่ถ้ารักษาศีลมันจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าทําทานด้วยจะเป็นคนที่มีรูปรา่ า, า ง, ห ง, คคงหน้าตาสวยงามมีเกิดเป็นกองเงนกองทองแ้นทานนี่มันจะเกี่ยวกับเรื่องรูปรา่างหน้าตากับกับสมบัติที่เราจะได้แต่ศีลนี่มันเป็นตัวตัดถิงว่าเราจะไปสุคติหรือว่าเป็นสุขคติคจะไปบารีจะไปเสสุคติถ้าเรารักษาศีงได้ มากเท่าไหร่โอกาสที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรก็มมากแต่ถ้าเราไม่รักษาสีโอกาสที่จะเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอะไรโอกาเป็นนรกก็มีมากตอนนี้อยู่ที่สีไม่ใช่อยากคุณภาวนานี่มันจะทําให้เราเกิดถ้าเรามีทานมีสีแล้วมีภาวนาเราก็จะมาเกิดเป็นเบี้ยพระพุทธเจ้าเป็นลูกเศรษฐีเป็นต่างหน้าตาเสียงามแล้วก็ภาวนาก็ทําให้ได้เป็นท่านอย่างสุดคนได้แบบนี้ ถ้าไม่ได้เป็นพระอริยะรรคผลเช่นถ้าผมว่าพระเจ้าไม่ได้จัดทะลุแล้วเรียนแค่สมาธิแค่ก็ยอดไปเกิดชั้นถมอย่างที่อาจารย์ขอ ท, ท่านสองลูกที่ที่ได้มา ร, รุถึงชั้นมถมเพราะท่านอันนั้นไม่มีปัญญาในเรื่องโลกุญาทำไม่รู้จักอนิจจังทุก ข, ขอาา์อนัตตาแต่มีพระเจ้าที่สามารถรู้ได้จึงทะลุถิงพมขึ้นไปเข้าสู่อริยะรรคเป็นถึงพระท่าน่าิพพา น, านไม่ต้องกลับมา ถ้าเพื่อนเขาไม่ได้ทำความเดือดร้อนหคนอื่นเขาไม่ได้ดีเทียนเขาจับมาเป็นมนนะครับแต่ก็อาจจะเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเหมือนเดิมนใช่ไม่ได้รำอยู่่ขึ้นไม่ไดเสืดีสอมมุยหน้าหนาตายก็ไม่เสือนขึ้นอะไรก็ยืนอยู่กับที่คือเท่าทุนเนี่ยไม่ขาดทุนไม่กำไรแต่เราเราเราอยิ่กับที่ไม่ได้เพราะเพราะมนุษย์นี่มันมีแต่ความทุกข์เลยมาแล้วก็ต้องทุยกับเรื่องนั้นคุยกับเรื่องนี้ ก็เป็นไปได้ใช้ใจด้ว่ามีทฉ่ใไม่ทาความหุดร้อนุนเรื่อเพราะว่ารุนเราอยอย่างนั้นน่ะเพราะมันสร้างเหตกอยู่ตลอดเวลาก็คงจะมีเรื่องเวลาแบบนั้นคนนี้บ้าบอกว่าเขาก็มีทางการเสียวเอไโดยทั่วานจะเป็นอย่างนี้ก็ได้โดยทั่วไปก็อาจจะมีถึงที่พื้นจะได้เพราะมันรุ่ดสร้างเด็กอยู่ตลอดเวลาเดดีกับเดุกเล แต่ถ้าเราทำบุญนี่จะช่วยแบบทำให้กรรมวิบากมันลดน้อยลงกน <c oughs> องเจาเราเราไปแก้ไม่ได้แต่วิบากยากาแก้ได้เมื่อเราทบุญแล้วเราจะจิตเราจะดีขึ้นเราจะทำบาสน้อยลง <c oughs> อย่างที่นเมื่อกี้ที่บาเราท ท, า น, ทานแล้วจะมีถิ่นเนี่ยทานแล้วก็จะเกิดถิ่นตามมาการจะไม่อยากจะไปทาบาสมันกันเพราะเราทำบุญทาบุญมันมีความเมตามีคว า, า, ามนมารมีคว า, า, ามสสานผู้อื่น เนี่ะเราจะทำอะไรเราก็ต้องคํานึงถึงความมุกสจ็บของเราถ้าเราอยากให้ผู้อ่ความสจ็เราถึงทํำดีนนะโยงมากับข้าวกับปลาอาหามาถวายพระก็อยากให้พระมีความเจ็บ mm. มันก็เลยทําให้เราไม่คิดจะเป็นเหย่อู้อ่นแต่ถ้าเราไม่คิดที่อยากจะทํำดีฐาน ม, มันเห่หาไหร่ก็อยากเจ็บไหมให้กับเรากับเร า, ราเนี่ยเวลาใครยามาแย่งมาอะไรดีไม่ดีก็ค่าของเองก็ได้แต่เราเงียบเงียบถึงมัดของเราอยู่ ครจะมาแย่งอะรกัะตอนีมก็ต่อชื่อเขาอย่างนี้คือถ้าเราไปจุดขาบุอยู่เลยวครอยากจะมาแบ่งรว้มากก็ให้เขาไปก็ได้ถือว่าเป็นการทาบุญเหมือนกันก็ให้เขาไปไปกดขอทั้ดเครื่องอยากไปปร้ายสองต้องัขที่อย่างนี้ที่จะว่าเขาอาจจะเป็นเจ้าหนี้ของเรามาก่อนนี้ในดีตแล้วเขามีปัญญาสามารถมาเอาไปได้ก็ให้เขาไปแต่ไม่ได้ให้ไปเฉยๆนก็ต้องขึ้นอยู่เขาความความสามารถยงไ ถ้เาเขาเก่งเขาหลอเอาเงินกอนนีจะได้ก็เอาไปถ้าเขาเก่งเขาขโมยไปได้ก็เอาไปแต่ถ้าเมื่อเราสูญไปแล้วเราจะไม่โกรธเราถ้าเราถือว่าเป็นการทำาริงได้แม่แจ้งบอกว่ า, ารการรเราทาไปแล้วแล้วแล้วไปที่เราอยาก่งาทกรรมเ่งไก็ด้นั่สมาธินสมาธิเรล้ว้าเาทได้า้ก็ได้น่รารเจม่อนกลัวไม่ด้เอก็งิ่ากดาก็ได้เนี่ยพระพรเจ้า่นองกลับไปได้ม แต่ไม่ได้หมาความ่ า, มาทํามาเพื่อคนจะจะละลกชาได้นะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของการนั่งก็จิตจะลงเล็กน้อการที่จะบรรลุเป็นข้าร้นได้สมาี่เพื่อเพื่อวิปัสสนานบางทีไม่ต้องลงเลกไปขนาดละเมีการได้ครับจะให้มนันสงบให้มันนิ่งสบายเป็นเพศขาแล้วเมื่อทาระมาก็มากาวิปัสสนาได้เลยบางโค้บางช่วงนี้ขาจะมันพูดเขาเรียกอะไรมันพูด เกพวกที่บรรลุมีอัู่ครับพวเจโตเจโงวิมุตติคับปัญญาวิมุตติพวกเจโตนี้พวกที่จะลงึกจิตของเขาจะเป็นสมาธิลงลึกต้มีลิกมีเดชมีมีตาทิพย์หูทิพมันไม่ชาได้พวกเจโตแต่ถ้าโมคคัลลานี่วกเจโตพวกวิพวกปัญญานี้อย่างพระสาวีนั่นจะไม่ลึกทางด้านสมาธิ ถ้าจะกว้างจะแหลนคมในด้านปัญญาอันนี้ชอบพิจารณาที่หาเหตุครับคุณนุ้ยคนที่บรรลุทางปัญญานี่จะทําประโยชน์มากกับคนที่บรรลุทางด้านเกติโยมเพราะต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องมในการสอนการถ่าสอนนี่มันต้องมีการยกยกตัวอย่างเพื่มาเปรีเทียบคนคนคนฟังถึง <eten> จะเข้าใจครูบาอาจารย์เราไม่ใช่แบบนั Spo ้น แล้วกูสาวนี่ท่านก็ถึงสมาธิปัญญาวังก็มีด้ะกให้ปฏิบัติท่านก็ไม่ขยายความเลยแล้กูม่านนี่ท่านปัญญาด้วยแล้เจโตด้วยบงางูท่านได้ทั้งสองเนี่ยพระพุทธเจ้ามีทั้งทั้งเจโตทั้งปัญญามีเจโตก็มีท่านก็ท่านก็รับแขกรับเทวดาได้ท่านก็อ่านจิตอ่านใจของคนได้แลวท่านก็มีปัญญาให้กับชาวบานสามารถสองคนได้เยอะแย พอเราได้ปฏิบัติบางทีได้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งบางทีนักมีบางคนถนัดซ้ายถนัดซ้ายก็มีคนถนัดขวาบางคนก็ถนัดทั้งสองด้านด้ทน้างซ้ายด้านข้างขวาวงพ่อแก้วที่ต้องลองทุกอย่างก็ลได้เขาไม่รู้ว่าอันไหนเป็นตัวที่จะช่วยก็ต้องสมาธิก็ต้องให้หมดสุดจุดของสมาธิปัญญาก็สึกสุดขปัญญามันก็เลยได้ไดทั้งสอง แต่พวกเรานี่ยบอกพอที่ยงไม่สำเร็จก็หยว่าสมาธิเอาแค่ห้าสิบเปอร์เซนก็พอพอผ่านพอสอบาได้แค่ได้ไม่ต้องเป็นที่นหนึ่ก็ได้สมญาก็ไม่ต้องเป็นที่หก็ได้ขอให้มันสอบผ่านเอาแค่สอบผ่านได้ก็ก็บอรลได้เมา่อผ่านลด้หนึ่งในผานรู้ขาดอำนาจตัดากาลวคนก็ี่านตัดขาดผานด้นนนสมญาบางคนก็ผ่านผานด้สมาธิหลวองค์ท่านก็เป็นใ น, น, นสองสองอย่าง All <laughs> i